ช่วงถัดไปที่จะถึงนี้ก็จะสับสลับกันด้วยการเจริญกรรมาฐานนะโยมเนาะจากที่ได้ฟังผู้ยมส่งอารมณ์มานะหลายๆท่านเนาะก็ทําให้รู้ว่าน่าจะต้องเจริญเมตาก่อนโยมดังนัน้นเดี๋ยวโยมเดี๋ยวเราลองเจริญเมตานะเดี๋ยวจมาจะนําเมตตาให้เนาะโยมหลับตา เมตตาไม่ได้ต้องการสมาธิที่ลึกอะไรเลยโยมแต่เป็นการต้องการให้จิตสภาพจิตที่งดงามของเราเกิดขึ้นเนาะโยมลองนั่งนั่งตามสบายนะโยมนะนั่งตามสบายจะลืมตาสักครู่ก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยหลับตาทีหลังก็ได้เมตตาเป็นกรรมฐานที่ไม่ต้องการให้เราจริงจังมากนะักนะโยมเนาะใช้ความรู้สึกสบายๆนั่นเอง อันนี้จะสบายหนักกว่าอนาปนาสติอีกนะโยมนะใช้บทบาลีให้โยมฟังนิดนึงนะติดถันจจรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัสวิคตมิโตเอตังสติงะทิตรยาบรมเมตังวิหารังอิทมาหุทิฏฐินจะอนุปกรรมสีระวาทัศเนนสัมปโนกาเมสุวินนยเคทางนิชาตุขปษัยยังผลเนเรติติตัวเมตตาเขาบอกว่าในกำนานเมตตาเนาะ ติดะนะแล้วก็จระติฐะแปลว่ายืนอยู่ก็ดีจระแปลว่าเดินอยู่ก็ดีนิสิ น, นะแปลว่านั่งอยู่ก็ดีสยา น, นแปลว่านอนอยู่ก็ดีก็บอกว่าอิริยบททั้งสยืนเดินนั่งนอนเมตตาเขาง่ายกับกรรมฐานง่ายกับการเจริญได้ทุกอิริยบทนะงั้นเดี๋ยวเราลองเจริญเมตตาดูนะพอช่วงเช้าอารรมะได้ยินว่าอาจารย์สมทบอธิบายเมตตาแล้ว นั่นเราก็เหมาะที่จะเจริญเมตตาได้เนาะพอได้ทิษฎีแล้วถ้าจะมาชวนนำเลยไม่ดีโยมวางใจให้สบายๆนะโยมนะถ้านั่งไม่เป็นประมาณอยากนั่งยังไงนั่งเลยนั่งให้สบายๆนะแต่แต่อย่าพึ่งเดินแม้จะจะได้ทั้งสี่อริยบทยืนเดินนั่งนอนก็จริงแต่ยืนเดินนอนอย่าพิ่งนะยิ่งนอนอย่าพิ่งเอานั่งก่อนเนาะนะงั้นะโยมวางใจสบายๆ ให้ความรู้สึกว่าเราสบายสบายนะขั้นแรกเลยเนาะโยมเนาะให้จิตใจสบายสักนะเหมือนกับว่าจะปล่อยวางทุกสรรพสิ่งในโลกนี้จะทำใจให้ปลอดโปร่งโร่งเบาสบายถ้าร่างกายมันเมื่อยล้าลำบากแม้จะไปเดินมาเข้าห้องน้ำมาแล้วก็ลองขยับขยับบางก่อนนะโยมนะขยับมันนิดนึงเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวานะ ดูเอาขยับไหล่บ้างขยับแขนบ้างให้มันรู้สึกสบายถ้าขามันตึงเอามือจับจับขามันหน่อยนึงก็ได้นะโยมเนาะเออนะเพื่อให้ความรู้สึกเบาสบายทางกายเกิดขึ้นนะแล้วก็เบาสบายทางจิตใจของเราก็จะได้เกิดขึ้นนั่นเองนะเมื่อกายใจเบาสบายนะการเจริญกรรมฐานต่อไปจึงจะง่ายแต่ถ้าเราขมักขมินเข่งเครียด มันจะไม่เกิดได่าเดี๋ยวต่ยิ่งเป็นเมตตาเนี่ยจะได้รู้สึกว่ามันทื่อๆเลยเนาะเพราะเมตตาใช้ความรู้สึกไม่ใช่ใช้คำพูดจริงๆไม่ใช่คำบริกรรมอหังอเวโรโหโมินิทุโโคโหโมิและไม่จากคำพูดไม่ใช่เพราะเมตตาเป็นสภาพที่มุ่งประโยชน์เกื้อกูลเป็นลักษณะวนันนยุกตฟังไปแล้วเนาะเมตตาก็มีสภาพที่มีประโยชน์เกื้อกูล เป็นลักษณะของเข า, นะา ก, กิจกรรมของเขาคือน้อมนำเอาประโยชน์เกื้อกูล น, นั้นไปสู่สัตว์อื่นไปสู่คนอื่นนะเพราะฉะนั้นเมตตาเป็นตัวความรู้สึกเป็นตัวสภาพไม่ใช่ตัวความคำพูดจริงๆโยมลองวางใจสบายๆเบาๆปลอดโปรงปลอดโปรงก่อนน ะ, ะหลังจากนั้นเนาะให้โยมนะ พิจารณาโทษของความโกรธเห็นคุณของการยอมรับความจริงไว้ได้ภาษาธรรมะการยอมรับความจริงไว้ได้เ็าเรียกว่าอธิวาสนะขันติอธิวาสะนาสะขันติเนาะคือการยอมรับความจริงไว้ได้นั่นเองนะให้เราคิดว่าเพราะเราโกรธเพราะเราหงุดหงิดเพราะเรากังวลใจเพราะเราทุกข์ใจเสียใจเบื่อหน่ายเซ็งอ่อนล้าลำคาญหงุดหงิด ไม่พอใจเป็นโทษมากขณะที่เกิดในความคิดของเราก็ทำให้เราลุ่มร้อนนะและเขาก็จะมีผลในปัจจุบันชาติน่ากลัวน่ากลัวมากๆมีผลถึงสิบประการที่น่ากลัวนะมีได้ทุกเวทนาแรงก้านะแบบอุกรฤษของเขาเนาะเวลาเราโทสะที่มีกำลังแล้วเนี่ยเวลา ไปโกรธเลยไปเบียดเบียนคนอื่นเข้าแล้วมันจะให้ผลในปัจจุบันชาติถึง10ประการมีก่อทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเป็นข้อที่หนึ่งและมีไฟไหม้บ้านเป็นข้อที่สิบโอ้หน้ากลัวไหมโยมทั้งหมดนี้ได้มาด้วยความโกรธล้วนเลยนะเพราะฉะนั้นให้โยมเห็นถ้ยของความโกรธอย่างจริงจังแล้วก็ตั้งใจกับตัวเองว่าที่เราโกรธไม่ใช่หรือเราถึงทุกข์ใจ ที่เราไม่พอใจไม่เฉื่หยือถึงทุกใจที่เราหงุดหงิดไม่ใช่หรือเรารถึงลำบากใจที่เราลำคาญใจไม่ใช่หรือเราถึงต้องประสบความลำบากทางความคิดทางจิตใจผลอันไม่ดีเป็นอันมากจึงเกิดขึ้นกับเราแต่กลับกันนะถ้าเราเป็นคนไม่ขี้โกรธเป็นคนใจเย็นอารมณ์ดีเราใจะในิพพงคือเมตตาสเอประการของเมตตามีรับเป็นสุขตื่นเป็นสุข แม้หลับฝันไม่ฝันร้ายมนุษย์รักไข้อมนุษย์รักไข้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงตามปกปักรักษาไฟสารายาพิษก็ทําลายเราไม่ได้สมาธิที่อยากจะมีก็จะมีขึ้นได้อย่างรวดเร็วในาภาษาบาลีก็บอกว่าตัวตั้งจิตตั้งสมาธิอติสมาธิตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องอยากก็ตั้งมัน่นที่มานี้จากจเจริญกรรมฐานได้ดีเนาะโอสมาธิก็จะเกิดได้ดี นะผิวพันธุ์ก็งามนะแม้เมื่อใกล้จะตายใกล้จะตายก็ไม่หลงไม่หลงนะไม่หลงลืมไม่เผอเรยแปล ว, ว่าแม้ใกล้จะตายมนุษย์ทุกคนเวลาใกล้จะตายหรือสัตว์ทุกตนเวลาใกล้จะตายจะเป็นคนมีสติอ่อนนะจะเผอหลงลืมได้เร็วได้ง่ายแต่คนที่มีเมตตาจิตนะแม้ จังหวะที่ช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ยังมีสติสมัมปชัญญะดีไอที่จเจริญกรรมาฐานที่จะมาปฏิบัติทั้งหมดก็เพื่อที่จะทำให้มีสติสมัมปชัญญะดีใช่ไหมยโยมเมตตาเป็นตัวหนึ่งแม้ใกล้จะเสียชีวิตคนอื่นจะสติสมัมปชัญญะไม่ดีแต่คนจเจริญเมตตาสติสมัมปชัญญะก็จะมีกาลังตามปกติเบิกบานสดชื่นอิ่มเอิบว้าวดีจังเลย ข้อสุดท้ายข้อที่ส1บอดถ้าได้เจโตวิมุตต์ก็จะไปสู่พรมโรคส่วนในกรณีเมตตาสูตรเนาที่เมื่อกี้พูดเป็นภาษาบาลีไปเนาะเอตังสติงอธิตรยะบรัมมเมตังวิหารังอิทมาหุทิฏฐิฉจะอนุปคำมสีระวาทเสนสัมปันโนกาเมสุกวิเนยะเคทางในชาตุขปเสยยังปุนเรติติตรงนี้ก็จะบอกว่าถ้าใครเจริญ ถ้าใครเจริญเมตตาแล้วนะจะบรรลุนิพพานอย่างง่ายได้ไม่ต้องกลับมนุษภูมิแม้ยังต่ำก็จะอยู่ในพรมโลกไม่ต้องกลับมนุษยภูมิไม่กลับมาเทวภูมิอีกเพราะการที่เจริญเมตตาแล้วการจะได้อนาคามิมักรเป็นเรื่องแทบจะอยู่ในมือแล้วแทบจะอยู่ในมือแล้วโซดาปฏิมาสกัดทาใครมีมักรไม่ต้องพูดอนาคามีมักรเหมือนกับอยู่ในมือเราแล้ว จะหยิบเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นแต่ถ้าอรหัตมักพยายามอีกนิดนึงแปบลบว่าเมตตาเป็นกรรมฐานที่เอื้อเฟื้อต่อการบรรลุเอื้อเฟื้อต่อการพ้นจากวัฏทุกข์อันิสงของเมตตาข้อหนึ่งเขาเรียกว่ามีวิปัสสนาสุขนะแล้วก็มีสุ ข, ขะทิธรรมะวิหารธรรมนั่นเอง ว่าคนเจริญเมตตาแล้วได้วิปัสสนาสุขนะแล้วก็ได้ทิฏฐธรรมิกะสุ ข, ว, สขวิหารธรรมนั่นเองเนาะในปัจจุบันชาติเลยงั้นดีหมดเลยนะโยมนะเวลาเราเจริญเมตตาเราเพียงวางใจสบายสบา ย, บายไม่ต้องจริงจังปล่อยความรู้สึกปล่อยศรัทธาความเชื่อไปกับเมตตาว่าเมตตามีอนิสงส์11อย่างนะ อย่างที่กล่าวมาแล้วมีหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขแม่หลับฝันไม่ฝันร้ายเป็นต้นโอ้ดีจังเลยแถมยังง่ายต่อการมารลุคุณธรรมนะอย่ารู้สึกกดดันตัวเองเพียงปล่อยความรู้สึกสบายสบายก่อนนโะยมเนาะนะนะสำคัญมากตรงความรู้สึกสบายสบายเริ่มต้นตรงนี้เลยนโะยมนะหลังจากนั้นใช้ความรู้สึกนะเมื่อเราเห็นโทษ ของความโกรธและเห็นคุณของการมีเมตตาแล้วก็เข้าข้อที่หนึ่งเลยหลักที่หนึ่งเลยคือเริ่มมีเมตตากับตนของตนทำอย่างไรเอ่ยนะเดี๋ยวมาจะไกด์หลายโยมทำเนาะใครอยากหลับตาก็หลับตาได้เลยนะคือเริ่มจากตั้งอุดมการณ์ในตนว่าเราจะเป็นคนไม่ขี้โกรธ เป็นคนไม่หงุดหงิดเป็นคนไม่ลำบากใจเริ่มตนจากอย่างนี้นะลองสัญญากับตนของตนสัญญากับตัวเองว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตราบเท่าชีวิตเรายังมีอยู่จนกว่าจะถึงปรินิพานเราจะไม่โกรธไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองไม่ลำบากใจไม่กังวลใจไม่เบื่อไม่เซ็งใครๆในโลกนี้อีกแล้ว ปนะกติเขาจะบอกว่าอาหารอเวโลโหมิขอข้าพเจ้าอย่าได้มีเวนนั่นเองอาตมาแปลคำนี้ใหม่แลโยมนะว่าให้โยมตั้งปณิธานกับตนเองว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่มีเวนกับใครจะไม่โกรธใครจะไม่ลําบากใจด้วยอาศัยเรื่องราวของใครๆ ใ, ในโลกนี้ไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองไม่กุ้มใจ ไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจไม่ลำบากใจด้วยอาศัยเรื่องอะไรอะไรในโลกนี้ไม่คิดไปในอดีตด้วยความหงุดหงิดไม่คิดไปในอนาคตด้วยความลำบากใจเจอเรื่องอะไรก็จะสบายใจสบายใจนะที่คำพูดทั้งหมดเหล่านี้แปลจากคาว่าเวรังเวรังหรือเวร น, นั่นเองเวนเป็นชื่อของความโกรธเป็นชื่อของความหงุดหงิดไม่พอใจเสียใจอึดอัด กัดเคืองคิดจะเบียดเบียนคิดจะสาบแช่งคนอย่างนี้เป็นตน้นนะให้เราตั้งใจกับตนของตนว่าตั้งใจนะสัญญากับตนตั้งอุดมการตั้งความปรารถนาตั้งปณิธานกับตนของตนว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่หงุดหงิดเราจะไม่หงุดหงิดเราจะไม่ขัดใจเราจะไม่ลำบากใจ เราจะไม่ทุกข์ใจโยมลองคิดตามอย่างนี้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งเจริญอนาณนาปณสตินะลองตั้งเมตตาจิตก่อนแล้วอนาณนาปณสติจเจริญง่ายไปเลยโยมหลังจากเมตตาเกิดแล้วอะไรอะไรก็จะเป็นของง่ายไปหมดนะพรสง่์ของเมตตาข้อหนึ่งคือตัวตั้งจิตตังสมาธิยติคือสมาธิก็ตั้งมั่นได้ไวนะเมื่อสมาธิตั้งมันนะมงม่นได้ไวนะัสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญา สติเป็นเหตุใกล้ของสมาธิเห็นไหมโยมสติก็ต้องเกิดขึ้นสมาธิจะเกิดได้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดได้แปลว่าการมีตัวตั้งจิตตั้งสมาธิยติคือสมาธิตั้งมั่นได้ไวก็แปลว่าโยมจะมีทั้งสติสมาธิและปัญญาแปลว่าคุ้มค่ากับการเริ่มเจริญแน่นอนพระเจ้โยมเริ่มเจริญเมตตาเนาะ ลองตั้งใจกับตัวเองลองคิดในใจตัวเองตั้งความคิดตั้งความรู้สึกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เสียใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่โกรธเคืองอะไรใครในไหนในโลกแล้วลองค่อยๆบอกตัวเองอย่างนี้นะลองค่อยๆสัญญากับตัวเองลองค่อยๆตั้งบิทิ่านกับตัวเองครั้งแรกๆใจจะไม่ยอมหรอกโยง เพราะเราเป็นเพราะเราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นคนอย่างนี้มาก่อนเลยนะแต่เมื่อเราค่อยๆเตือนตัวเองค่อยๆบอกตัวเองค่อยๆ อ, อธิบายตัวเองฟังว่าแม้ดีจังเลยการไม่โกรธใครในโลกนี้ช่างคุ้มค่าจริงๆเพราะความโกรธทั้งหลายมีโทษมากให้ผลหน้าเผ็ดร้อนมากแม้อาศัยความโกรธทั้งหลายเหล่านั้นแล้วที่เรากโกรธแล้วโกรธแล้ว จะไม่ผลแกใครเลยจะจะวิ่งกลับมาหาเราและผักใส่ไล่ส่งของเราลงสู่อบายภูมิลงสลงสู่นิรยภูมิโดยแท้ความกโกรธนั้นความหงุดหงิดความกังวลใจความเสียใจความเบื่อหน่ายความสิ้นความลำคาญใจเหล่านั้นไม่สามารถยัง ส, สัมมาสัมโพธิญาณให้เราได้เลยไม่สามารถนำ ปัจเจกภูติยานี้เราได้เลยไม่สามารถนำสาว ก, กบาลยาณอย่างใดอย่างหนึ่งให้เลยไม่เป็นปัจจัยแกอรัตมักไม่เป็นปัจจัยแก่อนาคามีมักไม่เป็นปัจจัยแก่สกาทาคามีมักหรือมักเบื้องต่ำคือโสดาภณิมักได้เลยอย่าว่าแต่อริยมักเนาะแม้แต่พมมาโลกก็ไปไม่ได้เทวภูมิทั้งหกชั้นก็ไม่มีทาง ความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิความเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่มีสิทธิ์จะเกิดเป็นมนุษย์กินดีอยู่ดีก็ไม่มีทางอยู่อีกแล้วกลับกันจะพาเราลงไปแต่สุนโลกอย่างเดียวถ้าได้โอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนรูปชั่วตัวดำขี้เหรน่าเกลียดอะไรๆที่ไม่ดีไม่ดีคนขี้โกธทั้งหลายย่อมประสบเป็นแน่แท้คนขี้โกงทั้งหลาย ยอมประสบกับที่อยู่ที่ไม่ดีเพื่อนฝูงที่ไม่ดีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเงินทองก็ไม่มีใช้ถ้ามีบ้านบ้านก็เสียเร็วมีแอร์แอร์ก็เจ๊งง่ายมีรถใช้ใช้ก็เจ๊งเร็วคนไม่ขี้โกรธทั้งหลายรถใช้สิบปีก็ไม่เสียไม่ซ่อมแต่คนขี้โกรธยังไม่พ้นสี่ปีรถก็เสียแล้วเป็นตน้นอ๋อ ทั้งหมดเกิดเพราะความโกโรธเป็นแน่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะตั้งปฏิญญากระตนของตนสัญญากับตัวเองเนาะโยมเนาะว่าเราจะไม่โกโรธไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองไม่ลาคาญใจแม้คนรอบข้างใครๆไม่โกรธไม่ขัดเคืองต่อมดปวกเนาะนะลองค่อยๆสัญญากับตัวเองบอกกับตัวเองพอยมค่อยๆบอกอย่างนี้ความรู้สึก ที่คิดอย่างนี้ตามจริงๆจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกคิดอย่างนี้ตามจริงเกิดขึ้นกลุ่มความกังวลใจความเสียใจคือตัวโทสะเจตสิกนั้นที่มันเคยล้อมรอบเราอยู่เป็นอุปนิสยยปัจจัยกับตัวเราอยู่มันจะทอนกําลังลงกับการอโทสะคือเมตตาความไม่กโกรธความอ่อนโยนจะค่อยๆคืนมาในกระแสความคิดโยม มันจะกลับได้ความรู้สึกนะไม่ใช่คำพูดเป็นความรู้สึกว่าเราก็รักสุขเกียดทุกเลยเราก็เป็นผู้รักสุขเกียดทุกใครๆก็รักสุขเกียดทุกเหมือนกันนั่นแหละเราอยากให้ใครโกรธเราที่ไหนละ่ะก็ไม่อยากคนอื่นก็ไม่มีทางอยากให้ใครๆทั้งหลายทำไม่ดีพูดไม่ดีและคิดไม่ดีกับเขาเป็นแน่เพราะฉะนั้น เราก็จะไม่ทําไม่ดีกับใครๆเลยเราจะไม่คิดไม่ดีกับใครไม่พูดไม่ดีกับใครไม่ทําสิ่งไม่ดีอะไรๆกับใครเลยแต่กับการเข้าใจเขาเห็นอกเห็นใจคนทุกคนเหมือนกับเป็นลูกของเราเหมือนกับเป็นญาติของเราคน <cuanto> ที่มีอายุปานพ่อก็เห็นประดุจพ่อปานแม่ก็ประดุจแม่ปานพี่ก็ประดุจพี่ปานน้องก็ประดุจน้องเห็นบรนดุษคนกันเองทั้งหมดอะไรนิดๆหน่อยๆ ก็แมมคนกันเองทั้งนั้นเลยสบายใจความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่คำพูดนะโยมนะมันจะค่อยๆเกิดขึ้นในใจความรู้สึกเอิบอิ่มความรู้สึกเอิบอิ่มความรู้สึกบริบูรณ์เป่งปรังกระปี้กระเป๋าด้วยความรู้สึกปรารถนาดีต่อคนอื่นจะค่อยๆเกิดขึ้นในกระแสความคิดของเราเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับ น้ำที่มันเต็มเ อ, อ่ออยู่ในใจเราอยู่แล้วมันก็ปาดพอมันเอ่อมากๆมันก็ล้นมันปาดมันอยากจะแทบจะทะลักล้นออกมามามอบความสุขความปรารถนาดีให้คนอื่นสิ่งนี้เกิดเป็นผลลัพธนะ์เนาะเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากการที่เราเริ่มตั้งใจตั้งใจตั้งความปรารถนาสัญญากับตนของตนว่า เราจะไม่โกรธใครๆอีกแล้วเราจะเป็นเหมือนกับนางฟ้าเป็นเหมือนกับเทวบุตรเป็นเหมือนกับเทพธิดาผู้มีแต่จิตใจงดงามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอ๊ะความโกรธคนอื่นมันเป็นยังไงหนอคิดไม่ออกเลยเอ๊ะความกังวลใจมันเป็นยังไงนะตั้งแต่วันนี้ไปเราจะไม่รู้จักความรู้ความกังวลใจความเสียใจความทุกข์ใจความลำบากใจอีกต่อไปแล้ว ให้ตั้งใจกับตัวเองอย่างนี families, ้นะโยมเนาะตั้งไว้ในใจอย่างนี้สัญญากับตัวเองอย่างนี้บอกกับตัวเองอย่างนี้นะเราจะไม่มีเว้นกับใครเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะไม่คิดร้ายกับใครไม่ปาถนาร้ายกับใครไม่ลำคานใครๆไม่ลำคานคาพูดใครไม่กำลำคารพฤติกรรมใครหรือคิดถึงใครด้วยความลาคานใจเลย ไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกกังวลไม่บ่นใครไม่ว่าใครจะคิดถึงใครแล้วก็เหมือนเป็นญาติพี่น้องของเราลองตั้งใจอย่างนี้เนาะลองตั้งจริงจิจิตความความคิดเนี่ยถ้าคนอื่นบอกมันยังไม่เชื่อโยมแต่ถ้าเราบอกตัวของตัวเองบอกกับมันจริงๆมันจะเปลี่ยนทันทีเลยโยม โยมลองสัญญากับตัวเองลองตั้งปณิธานกับตัวเองอย่างนี้นะลองดูนะโยมเนาะตั้งจริงๆว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนดีมีเมตตาเราจะเป็นคนอ่อนโยนนะเพราะอาการปรากฏของเมตตามีความร่มเย็นเป็นผลปรากฏมีความอ่อนโยนเป็นผลปรากฏเป็นความนุ่มนวลเป็นผลปรากฏ มันไม่ใช่นุ่มนวลนเนี่ยคนนอกมองมานะคนคนนั้นจะรู้สึกได้เลยเจ้าตัวนั่นแหละจะรู้เลยว่าตัวเราเริ่มนุ่มนวลขึ้นตัวเราเริ่มเริ่มเย็นขึ้นสภาพใจของเราจะเป็นสภาพที่นุ่มนวลละมุนละม่อมละมุนละไมอ่อนโยนเป็นประดุตในช่วงฤดูเมษาวันที่13 14 15, มามห้าเมษาแต่อยู่ในห้องเปิดแอร์สิบองศาเลย มีน้ำแข็งเย็นๆนี่กินมีแต่คนผู้ใจดีสถานการณ์อย่างนั้นเป็นปะจะเกิดขึ้นในสภาพความคิดของเราคือเป็นสภาพที่เอิบอิ่มเบิกบานร่มเย็นทุกคนชอบสภาพแบบนี้ทุกคนเนาะถ้าเกิดในตัวเราได้ดีไหมดีแน่นอนโอกาสนั้นจะเกิดขึ้นแกโยมแน่นอนโยมเพียงแต่โยมเริ่มที่จะสัญญากับตัวเอง บอกกับตัวเองสัญญากับตนตั้งอุดมการ์กับตนว่าเราจะเป็นคนดีมีเมตตาเราจะไม่กังวลใจเราจะตั้งเจตนาของตัวเองว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเราจะไม่กังวลใจอะไรอะไรอีกเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่คิดไปถึงในอดีตแล้วก็ขัดใจว่าทาไมคนนั้นทำกับเราอย่างนี้ทาไมคนนี้เป็นทากับเราอย่างนั้นแล้วก็เอาเรื่องราวมาบน่นบนบนบนโอ้ ถ้าเราเคยทําอย่างนี้คนคนนั้นตายไปแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความเป็นอย่างนั้นจะไม่มีกับเราอีกแล้วตั้งใจอย่างนี้นะโยมเนาะตั้งใจจริงๆตั้งใจจริงคือสัญญากับตัวเองว่าจะทําอย่างนี้จริงๆนะแล้วก็เชื่อว่าขณะ น, นี้แน่นอนเราทําได้แล้วเพราะเราไม่บ่นใครเลยไม่ตําหนิใครกับกันเราตั้งกุศลจิตนะตั้งใจนั่นเองเนาะเพราะความคิดที่ตั้งใจที่ตั้งแล้ววันนี้จะมีผลกับวันหน้าแน่นอน ขณะนี้ที่เราตั้งใจอยู่ว่าเราจะไม่โกรธไม่เครียดไม่กังวลไม่ปรารถนาร้ายไม่คิดไม่ดีอะไรอะไรกับใครเลยในโลกนี้ที่เราคิดอย่างนี้ชื่อว่าเราเจริญไม่ตายตนเพราะเมื่อเราไม่คิดไม่ดีกับคนอื่นผลดีเป็นอันมากมายมีหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขแม้หลับฝันไม่ฝันร้ายมนุษย์รักใครมนุษย์รักใคร เทวดาก็ตามช่วยเหลือเกื้อกูลปกปักรักษาเมแต่ไฟไหม้บ้านก็ไหม้ไม่ได้ยาพิษก็ทำร้ายเราไม่ได้มีดปืนก็ทำล้ายเราไม่ได้แม้ดีอย่างนี้นั่นเองแล้วตายไปแล้วถ้าไม่ได้คุณธรรมสูงสู ง, สงการไปเกิดเป็นเทวดามันเหมือนกับง่ายอย่างกับพลิกฝ่ามือเลยคนที่ในสมัยก่อนนยมเนาะ คนเจริญเมตตาเจ็ดปีท่องเที่ยวอยู่พุทธมโลกเจ็วัตกับเจ็ดสั่งวัตกับวิวัตถกับโอ้โหแค่เจริญเมตตาเพ่งเจ็ดปีนะอลังการขนาดนี้เลยแทบจะเลือกที่เกิดท่องเที่ยวไปในสวรรค์ท่องเที่ยวไปในพรมธมโลกเลือกเอาเลยอยากไปไหนเที่ยวที่ไห น, ไหนในสวรรค์ชั้นไหนจุติจากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งสบายเลย อนิสงฆ์มหาศาลอลังการขนาดนี้ทั้งหมดไม่ได้ใครทำให้เพียงแต่เราเริ่มตั้งใจอย่างนี้ขณะที่ตั้งใจอย่างนี้บุญกุศลเป็นอันมากมหาศาลอลังการอย่างมากก็เริ่มจะเกิดกับเราแล้วลโยมนะผลหน้าปาถนาหน้าดีใจหน้าใคร่หน้าหน้ายินดีเมปาถนาไม่ปาถน า, า, นาก็จะเกิดกับพวกเราแน่นอนงั้นโยมเรื่องตั้งตั้งใจนะโยมนะ อย่าไปกลัวว่าอุ๊ยฉันจะโกรธไม่ได้อีกแล้วเหรอตั้งแต่วันนี้ไปผมจะโกรธไม่ได้อีกแล้วเหรอใช่แล้วโยมเราจะตั้งใจว่าเราจะไม่โกรธใครไม่กังวลใจกับใครไม่เครียดโดยอาศัยใครๆในโลกนี้เรื่องอะไรก็ตามในโลกใบนี้จะไม่ทำให้เรากังวลใจทุกใจลำบากใจแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆได้โยมไม่ต้องกลัวว่าแล้วอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นได้หรือเป็นได้โยม เพียงโยมเริ่มตั้งวันนี้ก่อนเลยตั้งใจตั้งแต่ตอนนี้ขณะ น, นี้วันนี้นี่เขาเรียกว่าการเจริญเมตตาให้ตนอ่างนิคทุกโโหมิขอพร า, าเจ้าอย่าได้เป็นทุกข์เลยก็คือเราตั้งใจกระตนสัญญากระตนว่าเราจะไม่ทุกข์ใจกับใครไม่ลำบากใจกับใครไม่กังวลใจกับใครไม่เสียใจด้วยอาศัยอะไรกับใครเลย ไม่ลาคาญใจด้วยใส่เรื่องราวอะไรของใครเลยกับกันเราจะมองทุกเรื่องเห็นทุกเรื่องเข้าใจทุกเรื่องด้วยเมตตามองไปเห็นใครก็ปรารถนาดีกับเขาปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลกับเขานะพะเขาเป็นเพื่อนสเปสตาเพราะเขาเป็นเพื่อนทุกเพราะเขาเป็นเพื่อนของเรานะเพราะเป็นเพื่อนที่เกิดมา กับเราเกิดมามาเพื่อนเกิดมาเป็นเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายของเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าในเมตตานะพระเจ้าอธิบายไว้ว่าคนที่เกิดมาแล้วได้เดินเจอกันร่วมทางกันเพียงแค่เจ็ดก้าในชาติใดชาติหนึ่งเช่นชาตินี้เราเลยเราอาจจะเคยเดินเจอกับใครแล้วเดินร่วมทางกันเพียงเจ็ดก้าแล้วก็แยกทางกันไปคุยกันก็ไม่ได้คุยกัน พูดกันก็ไม่ได้พูดกันหันไปมองก็ไม่ได้หันไปมองกันแปลว่าอดีตชาติอันใกล้นี้ใกล้ๆนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทที่เที่ยววิ่งเที่ยวเล่นเที่ยวกินเที่ยวดื่มกับเราอยู่เป็นนิดมาในชาติอันไกลๆอ้ยาแปลว่าถ้าเคยได้คุยกันบ้างทะเลาะกันบ้างโกรธกันบ้างทําไม่ดีกันบ้างแปลว่าแปลว่าเขาเคยเป็นญาติของเรามา เคยเป็นพ่อเคยเป็นแม่เคยเป็นบุตรเคยเป็นลูกที่ดาของเรามางั้นเราตั้งใจว่าทุกคนก็คือญาติของเรานะลองสัญญากับตัวเองตั้งแต่วันนี้ไปเราจะไม่โกรธไม่ขัดใจไม่ขัดเคืองน้โยมเนาะและลองสังเกตดูว่าความรู้สึกที่แช่มชื่นเบิกบานจะค่อยๆก่อตัวขึ้นค่อยๆก่อตัวขึ้นนโยม ไม่ใช่เร่งให้เกิดแต่เป็นความเกิดจากการที่เราเบาใจสบายใจเมื่อเบาใจสบายใจแล้วตั้งใจว่าจะไม่โกรธเมื่อตั้งใจว่าจะไม่โกรธอะไรใครๆกับกันกลุ่มอโทสะคือความไม่โกรธจะขึ้นมาทำงานแทนในกระแสความคิดทันทีเมื่อกลุ่มอโทสะคือความไม่โกรธเกิดขึ้นในกระแสความคิดของเราปับ๊บใจจะเบิกบานทันทีเลยโยม จะค่คอยๆค่อยๆค่อยๆความโปร่งโล่งเบาสบายจะค่คอยๆเกิดขึ้นนะโยมเนาะไม่ต้องทนปวดทนเมื่อยนะโ ย, ยมนะขยับได้เมตตาไม่เน้นนิ่งไม่เน้นนิ่งๆไม่เน้นว่าห้ามขยับไม่เน้นว่าห้ามต้องทนความทุกข์ความเมื่อยเมตตากรรมฐาน เป็นกรรมฐานที่เน้นความรู้สึกปาถนาดีเท่านั้นเองเน้นความรู้สึกที่เราปาถนาดีกับคนอื่นเน้นความรู้สึกที่ปาถนาดีกับตัวเองเน้นความรู้สึกที่ไม่ไม่กังวลใจไม่ทุกข์ใจไม่ลำบากใจเพราะไม่คาดหวังอะไรในโลกนี้เพราะเข้าใจกรรมและผลของกรรมดีเมื่อเราคิดดี คิดเป็นเมตตาจิตผลนั้นเลิศประเสริฐสูงสุดทั้งหลายจอมเกิดกับเราเหมือนชีวิตในอนาคตชีวิตของเราที่เหลือทั้งหมดจะเป็นคนที่เดินไปแล้วมีแต่กีบกุหลาบชีวิตที่ผ่านมาที่มีแต่นามกุหลาบจะปิดฉากตัวเองลงทันทีด้วยเมตตาพะเมตตาเป็นกรรมฐานที่ให้ผลทันที เป็นกรรมฐานที่ให้ผลทันทีที่เจริญได้แต่ถ้าหยุดเจริญเมื่อไหร่มันก็หยุดผลทันทีเหมือนกันเพราะเมตตาเขามีวิปัสสนาสุขเป็นผลเมตตาเขามีทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมเป็นผลก็คือมีการเข้าถึงอยู่ซึ่งความสุขณปัจจุบันนี้เลยเป็นผลเลย ความรู้สึกสุขใจเบิกบานใจที่เกิดภายในก็เกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ก่อความสุขความเจริญใจก็จะค่อยเกิดขึ้นดีทั้งภายนอกและภายในไม่ต้องประสบความลำบากทุกใจไม่ต้องมีใครมาทะเบียดเบียนลังแก่ปรทุษล้ายทุกอย่างใจก็ค่อยดีขึ้นได้ด้วยเมตตา ซึ่งทั้งหมดเริ่มต้นจากสัญญากับตนของตนคุยกับตัวเองบอกกับตัวเองและตั้งอุดมการตั้งอุดมการว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่โกรธใครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่กังวลใจไม่ลำบากใจไม่ทุกข์ใจไม่อึดอัดรับคล้องด้วยเรื่องอะไรอะไรเลย เราจะเป็นคนมีปกติสบายใจอ่อนโยนล่าเลิงแจ่มใสยิ้มง่ายบันเทิงใจปรารถนาดีกัคนทุกๆคนในโลก mm hmm. เพราะการทำอย่างนี้เป็นกุศลกรรม mm hmm. เพราะการเพียรทำอย่างนี้ mm hmm. การเพียงเริ่มตั้งใจอย่างนี้ เพียงตั้งใจอย่างนี้นะกุศลเป็นอนมากก็เกิดขึ้นกุศลเป็นอนมากก็เกิดขึ้นและกลุ่มอกุศลทั้งหลายก็หยุดตัวลงกลุ่มเจตสิกตั้งแต่สตธาสติหิริโอตตา ป, ปะอโรภะอโทสะก็เกิดพร้อมกันทั้งชุดหมายความว่าขณะที่เราเริ่มตั้งใจอย่างนี้เมตตาเป็นกลุ่มอโทสะ ขณะที่จเจริญอโทสะขณะที่ละลึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ตั้งความรู้สึกอย่างนี้อยู่ศรัทธาก็จะเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในเมตาก็จะเกิดขึ้นสติที่เป็นไปกับเมตาก็จะเกิดขึ้นฮิริโอตปะก็จะเกิดขึ้นความไม่ต้องการไม่อยากได้ก็จะเกิดขึ้นเพราะเป็นคนฉลาดในเหตุและผลเมื่อตั้งความปรารถนาดีอยู่ผลของความปรารถนาดีก็จะเกิดขึ้น เมื่อตั้งความปารธนานีอยู่อย่างนี้ความปารถนาร้ายคือความโกรธความกังวลใจความเสียใจความอึดอัดใจทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นกลุ่มอกุศลทั้งหลายก็จะถูกหยุดตัวเมื่อหยุดตัวลงผลไม่ดีทั้งหมดก็จะหยุดไม่เกิดขึ้นกับเราอีกเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจอย่างนี้จึงมีปัญญารู้เหตุรู้ผล พอเข้าใจว่าไม่ใช่งมงายนะโยมนะแต่รู้ว่าเมตตาเกิดขึ้นแล้วให้อนิสงส์สบประการคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขแม้หลับฝันไม่ฝันร้ายมนุษย์รักไข่อมนุษย์รักไขเทวดาทั้งหลายตามปกปักรักษาไฟสาตายาพิษก้ากายเบียดเบียนไม่ได้เลยสมาธิก็ตั้งมันได้ไวผิวหน้าผ่องใสผิวพรรณเป่งปัง มุขวนโนโวิปัสสิทติ์นะข้อที่สิบอสัมุลโหกาลังกโลติแม้เมื่อกใกล้จะตายจะหลงก็ไม่หลงอัลไซเมอร์ไม่มีแน่นอนแม้ขนาใกล้าตายยังไม่หลงตอนแก่ตัวจะเป็นอัลไซเมอร์ไม่ได้เลยคนมีเมตตาเป็นไม่ได้โยมโอ้โหยอดเยี่ยมกลับกันนะโยมนะคนที่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นนะ ปจุศลายคนอื่นนะมีพุทธพจน์ว่าบุคคลที่ปทุสลายคนไม่ปทุสลายนะย่อมเป็นโทษนั้นย่อมกลับมาสู่คนคนนั้นเปรียบประดุดคนโปรยฝุ่นไปทั่วลลมนะภาษาบาลีเขาว่าอย่างนี้ยโยมโยะปจุตตาสนาราสตุสตีสุทัสส ปูสัสสะอนังคันนาสะตัมเมวะพรรังปะเจติปาปังสุคุโมรโชปฏิวาตังวะคิตโตนั่นเองก็คือคนใดไปประชุดสลายบุคคลมู้ไม่ประชุดสลายคือเราเบียดเบียนเขานั่นเองแล้วเขาก็ไม่ใส่ใจเราหรือใครก็ตามไปเบียดเบียนคนที่เขาไม่คิดจะเบียดเบียนตอบเลย คนผลของการคิดจะเบียดเบียนหรือการกระทำำําคําพูดที่เบียดเบียนนั้นจะกลับคืนมาสู่คนนั้นโดยส่วนเดียวเหมือนอะไรโยมเหมือนเอากําฝุ่นแล้วก็ไปโปรยฝุ่นในที่ที่ลมมันแรงๆหน่อยโยมเช่นหน้าผาลมมันพัดมาอยู่ฟู่ฟูฟ่ฟูฟ่ฟฟฟฟแล้วก็โปยฝุ่นก็ใส่ลมเลยโยมเกิดอะไรขึ้นฝุ่นก็พัดกลับคืนใส่หน้าเราหมดเลยถ้าสํานวนไทยเขาเรียกว่าถุยน้ําลายลดฟ้า น้ำลายจะไปไหนกลับมาโดนหน้าเราฉันใดฉันนั้นโยมคนขี้โกรธทั้งหลายเมื่อโกรธแล้วความโกรธไม่ไปไหนเลยโยมพุ่งกลับมาใส่ตัวเองทั้งหมดได้อานิสงส์ของความโกรธสิบเอ็ดอย่างเหมือนกันนะหนึ่งคือได้ทุกควยธนาอย่างแรงกล้าสองเสื่อมจากลาบที่มีแล้วและจะมี 3. สรีละจะสุดโทมร่างกายทั้งหมดจะสุดโทม 4. โรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนอย่างรุนแรง 5. าจิตใจจะฟุ้งซ่านเป็นบ้า 6. จะทะเลาะกับผู้มีอำนาจในประเทศนั้นๆแบบสู้ไม่ได้โดนเขาลังแกฝ่ายเดียว 7. จะถูกใส่ร้ายไม่ได้ทำอะไรเลยกระโดนเขาใส่ร้ายป้ายสีว่าทำแล้วทุกคนก็เชื่อว่าเราเป็นคนทําหมดเลยคนขี้โกรธจะโดนอย่างนี้แปดไม่ใช่แต่ตัวเองอยู่วงตระกูลของเราจะพินาศหมายถึงคนขี้โกรธนะเก้าโพคสมบัติที่มีอยู่จะเสื่อมสบไฟจะไหม้บ้าน นี่คือผลในปัจจุบันชาติเหมือนอสิสงเมตตาสิบข้อแรกนะโยมนะข้อที่สิบเอ็ดตายแล้วไปสู่นรกทั้งหมดนี้โยมจะไม่ได้โยมทั้งหมดนี้โยมจะไม่ได้เพราะโยมเริ่มตั้งใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโยมจะไม่โกรธใครๆในโลกอีกแล้วโยมจะไม่กังวลใจไม่ทุกข์ใจไม่ลําบากใจไม่เสียใจแต่กลับกันโยมตั้งใจอย่างนี้จริงๆนะโยมนะลองตั้งเลยโยมเจตนาที่ปักไว้วันนี้ ตั้งใจวันนี้สัญญากับตัวนูวน่างี้ผูกใจไว้อย่างนี้ตั้งอุดมการณไว้อย่างนี้บอกกับตัวเองพัฒนสอนกับตัวอย่างนี้มีผลแน่นอนมีผลแน่นอนโยมถ้าใครเริ่มตั้งได้จะรู้สึกได้ว่าจิตใจของเราจะเบิกบานขึ้นเบิกบานขึ้นเบิกบานขึ้นยิ่งบอกหลอยรอบเขา้ายิ่งอธิบายหรือตั้งใจกับตัวเองบอกกับตัวเองมากรอบขึ้นโทรศั คือความหงุดหงิดความเสียใจความกังวลใจความอึดอัดทั้งหลายที่เคยมีมามันจะทอนตัวออกแต่ ท, ทั้งที่ขณะ น, นี้ปกติมันไม่มีแหละขณะนี้ไม่มีอยู่ก็จริงแต่ยิ่งสัญญากับตัวเองนี้เท่าไหร่ความกรุนด้วยความโกรธความอึดอัดขัดเคืองจะไม่มีกับเราง่ายๆเลยงั้นลองสัญญากับตัวเองนะเรื่องความสบายใจความเบิกบานใจ จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทุกคนโยมจะเกิดอาการนี้ทุกๆคนเพียงแต่เริ่มสัญญากับตัวเองเริ่มบอกกับตัวเองเริ่มตั้งใจเริ่มตั้งอุดมการเริ่มผูกความคิดเริ่มปักความเข้าใจกับตัวเองว่าเราจะไม่โกรธใครไม่เสียใจเพราะใครไม่ลำบากใจเพราะเรื่องอะไรไม่ลังบำคาญใครไม่หงุดหงิดใครไม่กังวลใจ กับใครๆด้วยเรื่องอะไรๆฝนจะตกก็ไม่เศร้าใจไม่กังวลใจแดดจะออกก็ไม่กังวลใจไม่เสียใจใครจะเป็นอะไรในโลกใบนี้ฉันก็จะสบายใจฉันก็จะมีเมตตาจิตป่าถนาดีเมื่อเราค่อยๆหย่อนค่อยๆบอกตัวเองโทสะก็จะค่อยขคลายตัวจากละความคิดเรามันเหมือนกับกลุ่มโทสานี้ มันจะหายไปอยู่คนละที่คนละทางเลยเหมือนกับว่าอี เ, อ thoughts, เอ rite, มื่อก่อนที่เราเคยโกรธมันโกรธได้ยังไงนะไม่น่าเชื่อเลยความรู้สึกอย่างนี้จะค่อยๆเกิดขึ้นโยมความรู้สึกอย่างนี้จะค่อยๆเกิดขึ้นความเบิกบานใจอิ่มใจลำสบายใจจะเกิดขึ้นมาแทนส่ว น, นถ้าใครเริ่มเกิดอย่างนี้แล้วนะโยมนะถ้าใครเริ่มเกิดแล้วถ้ายังไม่เกิดให้ค่อยๆบอกกั้ตัวเองย้ำๆเขาเรียกว่าเจริญเมตตาให้กระตน ปกติเราจะเคยได้ยินแท่อะังอะเวโลโฮมินิตุโคโฮมิอัพยาปโชโหมิสุขีอตังนางปริฮรามิซึ่งมันเป็นแค่แค่คำท่อง <c oughs> ความรู้สึกมันไม่เกิดให้เพราะเขาเขาต้องการจะสื่อให้เราบอกกับตัวเองว่าคือตั้งสัญญากับตัวเองปณิธานให้อุดมการณ์กับตัวเองว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะไม่คิดปฏิทุสลายกับใคร เราจะไม่ทําความลําบากอะไรๆให้กับตนทั้งหมดนั้นก็คือความโกรธนั่นแหละที่เบียดเบียน er เราความกังวลใจนั่นแหละมันเบียดเบียน er เราความอึดอัดนั่นแหละมันเบียดเบียน er เราความลาคาญคนอื่นนั่นแหละมันเบียดเบียน er ตัวของเราความกังวลไปในอดีตอนาคตนั่นแหละมันเบียดเบียน er เราแต่กลับกันกลับกันเนาะเราจะเป็นคนยอมรับความจริงของโลกไว้ได้ นะเราจะลองรับความจริงของญาติพี่น้องสามีภรรยาลูกหลานคนอยู่ใกล้ตัวไว้ได้ขณะที่เราจเจริญกรรมฐานมีใครคุยกันมีเสียงอะไรมารบกวนเราก็ไม่หงุดหงิดไม่ลำบากใจขณะเราไปนอนนะเราอยากจะนอนกําลังจะหลับมีคนเสียงคนเดินเราก็ไม่หงุดหงิดเพราะเราไม่ตั้งท่าให้หงุดหงิดเราไม่ตั้งใจว่าเราจะหงุดหงิดจะมีเสียงคนกลน่นเราก็ไม่หงุดหงิด นะทั้งหมดเขาไม่ได้ผิดมันผิดที่เราหงุดหงิดเองเนาะถ้าเราไม่กโกรธมันจะไม่รู้สึกอึดอัดกับเรื่องอะไรอะไรในโลกอีกเลยวิธีการคือไม่ตั้งใจว่าจะอึดอัดขัดเคืองกับเรื่องอะไรอะไรอีกเลยใครจะพูดกันเราก็ไม่อึดอัด ใครจะคุยกันก็ไม่อึดอัดใครจะเดินก็ไม่อึดอัดใครจะนั่งใครจะกลรนใครจะหาวใครจะตดก็ไม่อึดอัดใครจะเลอก็ไม่อึดอัดสบายได้กับทุกเรื่องลองตั้งใจกับตัวเองนี้นะลองตั้งใจดูยิ่งตั้งใจปุ๊บความรู้สึกอ่อนเบาควรที่ที่มันเหมือนกับว่าความเอืบอิ่มใจความรู้สึกปรารถนาดีในตัวเองมาเริ่ม เ, เกิดขึ้นเยอะขึ้นจนอยากจะหยิบยื่นสิ่ง น, นี้ให้กับคนอื่นบ้าง อยากจะให้ความปรารถนาดีรู้สึกดีนีแก่คนอื่นบ้างเกิดขึ้นในใจถ้าใครเกิดเริ่มเกิดขึ้นอย่างที่จะมาพูดนี้คือเริ่มเกิดความรู้สึกว่าแมมความรู้สึกปรารถนาดีเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเองของเราแล้วนะมันเอิบอิ่มจังมันอยากจะส่งมอบให้คนอื่นถ้าเริ่มเกิดนะลองลองลืมตาก่อนก็ได้โยมหันมาดูที่พวกอาตมาสองท่านพระภิกษุสองรูปนะครูบาอาจารย์สองท่านที่นั่งอยู่ข้างหน้าโยม โยมก็เริ่มเจริญเมตตาคือปารถนาดีเจริญเมตตาก็คือปาถนาดีให้ความรู้สึกปาถนาดีนั้นแผ่ออกมายื่นออกมาให้ความปาถนานี้ออกมาจะเป็นคําพูดอะไรก็ได้ในใจหรือไม่มีคําพูดก็ได้แต่เป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่เรารู้ได้ว่าเราปาถนาดีแล้วเราต้องการให้ความสุขความเจริญ ความเอิบอิ่มใจความสบายใจให้แก่ครูบาอาจารย์นะลองเจริญมาที่พระพิสูุส่งนะโยมเนาะเมือ่อแต่ขั้นนี้ต้องทำหลังจากที่เมตตาในตนได้ก่อนแล้วคือความรู้สึกว่าเรามีเมตตาในตัวเองแล้วความรู้สึกนี้เกิดขึ้นคือเรารู้สึกได้ว่าเราก็รักสุขเกียดทุกข์สัตว์อื่นก็ต้องรักสุขเกียดทุกข์เหมือนกัน เราก็ชอบให้คนอื่นปาถนาดีกับเราใครถ้าใครใครรักเราเราก็ชอบนั้นเราก็จะรักคนอื่นเหมือนที่เราต้องการให้คนอื่นรักเราความรู้สึกอย่างนี้มันเริ่มเกิดขึ้นโยมถ้าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บเราก็ส่งความปาถนาดีนั้นให้คนอื่นได้ละแต่ถ้ายังไม่เกิดให้เจริญเมตตากระตนก่อนเนาะให้สัญญากับตัวเองถ้าคนที่ไม่เกิดแปว่าท่าเห็นความหมุดหงิดง่ายที่ผ่านมาในชีวิตมันมีเยอะ เพราะฉะนั้นก็ให้สัญญากับตนของตนเนาะบอกตนของตนว่าเราจะไม่หงุดหงิดไม่โกรธเคืองไม่ขัดใจนะหลังจากนั้นถ้าใครได้แล้วใครได้แล้วก็ลองเจริญเมตตาให้ครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์เนาะนะถ้าเป็นผู้ชายถ้าโยมเป็นผู้ชายโยมก็เจาะจงให้พระองค์ใดองค์หนึ่งได้เลยแต่ถ้าโยมที่นั่งอยู่เป็นผู้หญิงอย่าเจริญเจาะจงให้บุคคลที่เป็นเพศตรงข้ามเพราะตอนนี้จะมาบอกให้โยมเจริญให้ครูบาอาจารย์เนาะ ซึ่งจเจริญให้พระภิสุสงฆ์อยู่ให้จเจริญรวมรวมถ้าทั้งสองคนก็สองคนนะเสียดายท่านมา อ, อ๋อทางนู้นนั่งกันอยู่อีกนะให้จเจริญเมตตาให้หมู่พระพิสุสงฆ์สามเณรทั้งหมดหันไปมองหน่อยนึงก็ได้โยนมองภาพ ร, รวมปุ๊บสักครู่นึงแล้วก็ลองหลับตาถ้าลืมตาดูแล้วเกิดความเมตตาเกิดแล้วลองหลับตาแล้วก็ปาถนาดีต่อท่านบางทีขณะที่เราตั้งปาถนาดีอยู่อาจจะรู้สึกว่าเหมือนเห็นท่าน เหมือนนะเหมือนเหมือนเห็นมันได้ความรู้สึกว่ากําลังปราถนาดีให้ท่านอยู่ปราถนาดีให้ครูบาอาจารย์พระภิสุสงฆ์ที่ที่มาพยายามส่งมอบความดีส่งมอบอะไรดีๆที่เป็นปัจจัยต่อความเจริญรุง่งเรืองให้เราอยู่ท่านมาพยายามให้สิ่งที่ดีกับพวกโยมท่านมานําโยมทําวัดมาให้ธรรมะมาสอนเจริญเมตตาสอนเจริญอาราปณสติสอนให้รู้จักมีศีล แล้วก็ชี้ทางสวรรค์ชี้ทางไปพระนิพพานชี้ทางสลัดออกจากความเดือดร้อนทั้งปวงให้แม้คูบาอาจารย์พระภิษุสง์เหล่านี้เขาไม่ต้องมาก็ได้แต่เขาก็อยากมาช่วยเหลือเราเขาพยายามทําดีกับเรานี่ยเนี่ยโอ้แปลว่าเขามีความปรารถนาดีกับเราเขารักเมตตาเอ็นดูเราเขาเห็นเราประดุดบุตรของเขาโอ้ดีจังเลยงั้นเราก็จะรักป่าถนาดีกับพวกท่านบ้าง เมตตาจะเป็นกรรมฐานที่แตกต่างจา ก, กนาวัตตินะโยมเนาะเมตตาเนี่ยจะมีความคิดความดาริอยู่เป็นความคิดความดาริที่ขับความรู้สึกปรารถนาดีไปขับความรู้สึกปรารถนาดีส่งออกไปภาษาเขาเรียกว่าภาษาบาลีเรียกว่าผลิตผลิตวาภาษาไทยแปลผลิตตวาว่าแผ่ไปแผ่ออกไปแผ่ออกไปก็แปลว่าหยิบยื่นออกไป ส่งออกไปเหมือนกับอยากจะส่งของให้กันและกันแต่เป็นการส่งมอบความสุขออกไปส่งมอบความปรารถนาที่อยกไปซึ่งมันเกิดที่ใจเราเนะพราะสภาพของเมตตาเป็นสภาพที่ปรารถนาประโยชน์สุขเกื้อกูลเป็นลักษณะเมื่อเกิดขึ้นปุ๊บกิจกรรมที่เขาจะทำเขาจะยื่นคือ น, นำส่งมอบ นำไปซึ่งประโยชน์เกื้อกูล น, นั้นไปสู่คนอื่นไปสู่สัตว์อื่นนั่นเองทําไมถึงส่งไปได้ล่ะก็เพราะว่าเราเห็นเขาว่าเขาเป็นคนน่ารักเห็นเขาเป็นคนน่าพอใจเห็นเขาก็ทําสิ่งดีๆเช่นเขาพูดได้ดีนะเขามีกิจ ก, กรรมมารยาทที่เหมาะสมหรือเขาคิดดีนะแล้วเราก็พยายามมองจุดดีของเขา ไม่ไปนองเพ่งโทษเขาไม่เพ่งโทษใครไม่เห็นแต่โทษของคนอื่นเขาเพราะคนทุกคนก็เหมือนเรานั่นเองทั้งความดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีก็มีแต่เวลาเราดูตัวเราเราจะมองแต่จุดไม่ดีของเราหรือไม่เลยเราให้อภัยความไม่ดีของเราได้ทั้งหมดนั่ะแหละแต่เรามักจะเห็นแต่คุณงามความดีที่เราเคยทำไว้กับคนอื่นใช่ไมโยม เราทำกับตัวเองอย่างไรให้เราทำกับคนอื่นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เรามองเห็นคนอื่นว่าใครทำดีปุ๊บเราก็โอ้เขาทำดีนะส่วนที่เขาทำไม่ดีเราก็ให้อภัยเขา ท, ทันทีเหมือนกับที่เราเวลาเราทำไม่ดีปุ๊บเราก็อภัยกับตัวเองได้เราให้อภัยกับตัวเองได้แ ล, แล้วเราก็มองว่าเราเคยทำดีกับคนโน้นคนนี้คนนั้นได้ง่ายเพราะเรามรักตน รักโดของตัวเองไงเพราะฉะนั้นเราก็ทำอย่างนี้กับคนอื่นเหมือนกันนะความรู้สึกแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นกับโยมเนะเาะพ่อเมตตาเมตตาจิตไม่ใช่กรรมฐานที่ต้องใช้ความตั้งใจแรงๆไม่ต้องไม่ต้องพยายามรู้อะไรแรงๆไม่ต้องไม่เหมือนกับอนาพาัสติลมยิ่งเบาก็ยิ่งหายยาก แต่อันนี้ยิ่งยิ่งปรารถนาดีความรู้สึกก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นค่อยๆเด่นชัดขึ้นคาว่า <c oughs> ค่อยๆเด่นชัดนะไม่ใช่พุพับพุพั บ, พบขึ้นมานะโยมนะความรู้สึกเด่นชัดคือความรู้สึกที่ไม่รู้ไม่ความรู้สึกที่ปรารถนาดีคนอื่นไม่ปรารถนาจะเบียดเบียนเขาเลยไม่ปรารถนาที่ประจุสลายเขาเลยไม่ปรารถนาที่จะเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยอะไรกับใครเลยจะค่อยๆปรากฏในใจเรา จะค่อยเป็นไปในตัวเราเองค่อยๆจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมันจะค่อยๆปรากฏนะยิ่งคนที่เป็นคนไม่โกรธง่ายทั้งหลายความรู้สึกนี้ยิ่งเกิดเร็วแต่ถ้าใครนะเป็นคนหงุดหงิดง่ายกังวลใจง่ายลาบากใจง่ายอึดอัดง่ายรำคาญคนอื่นง่ายมันจะค่อยๆยมมันจะค่อยๆก่อตัวขึ้นนะ ไม่ตามไม่ใช่กรรมฐานที่จะต้องพยายามรู้สิ่งที่เบาๆคือลมหายใจไม่ต้องแต่เป็นความคิดดีๆนะานึกถึงไม่ออกลืมตาดูเลยนะมองมาที่ข้างหน้ามาดูารครูภาพพิสูจนสงฆ์ครูบาอาจารย์ภาพพิสูจสามเณรนั่งอยู่ข้างหน้านั่งอยู่ที่โต๊ะโซฟานะแล้วก็ให้ความรู้สึกดีๆส่งผ่านที่ใจเราเมื่อมันคิดในใจเรา คิดปาถนาดีในใจเราว่าเราปารถนาดีต่อท่านปาถนาที่ต่อปาถนะให้ท่านมีความสุขความเจริญความเอิบอิ่มใจความสบายใจความไม่ทุกข์ใจความไม่ลําบากใจขอให้ท่านมีความสุขขอให้ครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์สา ม, มนเณรทั้งหลายเอิบอิ่มใจสบายใจไม่ลําบากใจไม่กังวลไม่เครียดไม่ไม่เดือดร้อนประสบจะสิ่งที่ดีงามอะไรก็ได้โยม คำพูดไม่เป็นประมาณมันแค่ความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกที่เราปรารถนาดีส่งมอบกันไปมันจะเกิดขึ้นที่ใจเราโยมแต่มันจะแผ่ออกไปเองโดยธรรมชาติไม่ได้หมายความว่าโยมต้องพยายามส่งเหมือนมีคลื่นพลังออกมานะโยมไม่ต้องโยมแค่โยมคิดอย่างนี้ในใจปรารถนาดีอย่างนี้ใน ใ, นใจเขาเรียกแผ่แล้ว แค่โยมตั้งความปรารถนาดีในใจตั้งความปรารถนาดีตั้งความปรารถน า, า, า, นาจะให้เขามีความสุขปรารถนาดีขณะที่เราตั้งอยู่อย่างนี้จิตใจเราก็ดีจิตใจเราก็ดีดนั่นแหละเขาเรียกแผ่แล้วโยมนะถ้านึกไม่ออกให้ลืมตาดูได้โยมกรรมฐานนี้ไม่ได้กรรมฐานที่ต้องเห็นอะไรเป็นนิมิตหรือห้ามลืมตา นาโยมนะแต่ถ้าอยากให้มีกําลังให้กําลังเมตตาเกิดเด่นชัดเขาไม่เปลี่ยนคนไปเปลี่ยนคนมาเขาสมมติตอนนี้โยมกําลังเจริญมาที่คูบาอาจารย์พระพิสุสง์โยมก็ส่งมาที่คูบาอาจารย์และพระพิสุสงก็คือตั้งใจไปในคูบาอาจารย์และพระพิสุสง์ถ้าโยมผู้หญิงก็มีเงื่อนไขนิดนึงห้ามเจริญให้ผู้ชายโดยเจาะจง นะเช่นเจริญให้ครูบาจารย์แบบเจาะจงองค์เดียวไม่ได้ต้องเจริญรวมร้วมกันไปพระภิสุสงฆ์สามเณรรวมรวมแต่ถ้าพโยเป็นผู้ชายาพระภิสุสงฆ์เป็นผู้ชายด้วยกันก็เจาะจงได้เจาะจงเอาคนเดียวเลยก็ได้เลือกเอาหลวงพ่อไกสักองค์เดียวเลยก็ได้เนาะเพราะเมตตาเขาไม่เจริญกับเพศตรงข้ามโดยเจาะจงไม่เจริญในเพศตรงข้ามโดยเจาะจงเนาะ หมายความว่าต้องการกําลังของเขานะกําลังของความปัถหาดีแรงๆความปัถหาดีแรงๆคําว่าแรงก็คือมันเอิบอิ่มใจไม่ใช่แรงแล้วแบบเหมือนมีพลังจะออกไปสู้รบกับใครไม่ใช่โยมแรงๆในที่นี้หมายถึงว่ามันเอิบอิ่มใจได้เรื่อยๆบ่อยๆเขาเจาะจงไปในคนหนึ่งคนเพราะสัญญาคือความจาที่เรานึกถึงเขาแล้วก็สุขใจนึกถึงท่านแล้วก็ปรารถนาดีมอบความสุขให้ มันชินกันโยมมันชินกันนึกถึงท่านเมื่อไหร่เราก็สบายใจนึกถึงท่านเมื่อไหร่ล้วก็เออบอิ่มใจนึกถึงท่านเมื่อไหร่แล้วเราก็าการู้ ว, ร ว, ว่าเรารักท่านปาทานาดีต่อท่านปานานะ้ะซึ่งหมอความสุขให้ก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามีมีกำลังของเมตตามีกําลังใครเมื่อยใครขยับบ้างก็ได้โยมนะขยับบ้างขยับบ้าง เดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นตอบคำถามนะโยมเนา ะ, ะเจริญพรญาติยโยมนะอาตม า, อ, าอ่านคำถามให้ฟังกินอะไรก็อร่อยถ้าอาหารไม่อร่อยก็มีวิธีผสมกันทำให้อร่อยได้เท่ากับกินกับกิเลสบาปไหมทำไงดีคะ <c oughs> เก่งจริงจริง กินอะไรก็อร่อยไปโม้สบายใจไปหมดเนอะโยมเนาะก็ดีเหมือนกันโยมไม่ค่อยเครียดง่ายแต่ระวังอ้วนนะเนี่ยก็ปกติความความอยากเนี่ยเป็นตัวอกุศลนะโยมเนาะเป็นอคุศละจิตอกุศละจิตก็เป็นปาปจิตนั่นเองนะแตเป็นกลุ่มบาปเป็นอกุศลที่ไม่รุนแรงไม่รุนแรงคือขั้นคารวะนี้เกิดได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าปาถนาจะออกจากวัฏทุกกัน ปราจะจะออกจากการเกิดแก่เจ็บตายกันตัณหาอย่างนี้ของคนที่ต้องการจะออกจากเกิดแก่เจ็บตายเขาก็ไม่ปล่อยให้เกิดกันกินรู้ได้โยมว่าอันนี้หวานเปรี้ยวหวานมันเค็มนะอย่างนี้เรียกวรสกลมกรอบอันนี้เรียกหวานไปเปรี้ยวไปเผ็ดไปมันไปรู้ได้ปกติแต่ความพอใจที่อยากไม่มีง่ายไหมง่ายแค่นี้แหละโยมทาแค่นี้แหละ จะหวานก็หวานเออแล้วรู้นะปกติเราเป็นคนชอบกินหวานชอบกินเปรี้ยวกินเผ็ดกินเค็มกินมังอย่างนี้เรียกกลมกรอบอะไรก็ว่ากันเถอะนะเป็นคนกินง่ายแต่ความรู้สึกติดใจในรสชาติไม่ต้องเกิดทำแค่นี้หลยโยงง่ายไหมเจ้าของคาถามไม่รู้ใครก็ไม่รู้เนาะใส่จะเป็นผู้หญิงมั้งเนี่ยนะก็กินเหมือนเดิมโยมแต่ไม่ต้องทาความติดใจในอาหารเนาะ ผมขอเสริมแล้วกันนะครับคือตอนแรกๆ ก, ก็ไอ้อร่อยนี่มัน <c oughs> มันห้ามยากเหมือนกันนะตอนแรกก็อาจจะด้านคุณภาพก็ปล่อยไปก่อนก็ได้เน้นปริมาณก่อนอย่า ก, กินเยอะเกินไปและอย่า ก, กินตอนที่หิวมากๆเออแล้วก็ธรรมชาติของตันหาเนี่ย มันจะได้จังหวะตอนที่เกิดความต่อเนื่องโยมพยายามเว้นวักเป็นช่วงๆโยมเคยไมมว่าถ้ามีใครมาทำอะไรใช้งานเราหรือทาอะไรเวลาขัดจังหวะเขาเรียกขัดจังหวะเวลากินข้าวหรือว่าอะไรก็ตามตัหามค่อยๆหมดกำลังโยมออดูหนังเหมือนกันโยมทำไมดูหนังล้วสนุกเพราะมันต่อเนื่องไงโยมใช่ไหมโยมออคอยหาวิธีขัดจังหวะมันและ ถ้าเราเป็นคนที่ให้ทานบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเวลาเห็นสิ่งของอะไรเนี่ยคิดกุศลให้เกิดก่อนว่าสิ่งนี้เราเคยได้ให้ใครไหมให้อย่างนี้มันคิดขึ้นมาก่อนเพราะปกติเวลาเราเห็นว่าถูกอะไรเนี่ยอากุศลจิตชอบเกิดก่อนว่าเราจะเอาสิ่งนี้หรือไม่เอาสิ่งนี้มาใส่ตัวเรานะลองทำความคิดอย่างนี้ให้มันเกิดขึ้นมาก่อนนะอะไรที่อร่อยเนี่ย ก่อนที่มันจะอร่อยมันถ้า ม, มันยังไม่เข้าปากมันยังไม่อร่อยโยมนะลองก้าก้าสละให้คนอื่นก่อนเออก้าก้าดูแล้วมันจะสะใจโยมนะเออความสะใจแบบนี้แหละมันชนะกิเลสตัวเองได้นะลองเอาวิธีอย่างนี้ไปดูแต่อาตมาก็รู้สึกว่ายมได้พยายามแล้วนะอุศาส์คนแล้วมันยังอร่อย <laughs> ไม่ใช่เป็นแต่โยมพระก็เป็นลองคนดูโอ้ ตันหามันไวจริงๆโยมนะเอาลองวิธีนี้ดูนะโยมนะอทำความสะอาดบ้านแล้วไปโดนมดทุกวันจะบาปไหมความจริงไม่อยากทำมันเลยโยมนะหรือวโดนนี่ตายหรือเปล่านะเดี๋ย ว, ยวนมนม์อาจารย์ครับผมก็มันตั้งมันต้องอยู่ที่ว่า ก่อนเราจะกวาดเราเราอยากจะกวาดให้มันตายไหมแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะกวาดให้มันตายเราเพียงจะจะปลัดเขาออกนะคือกวาดให้เขาเอาเอาเขาออกไปอย่างเงี้ยไม่มีความตั้งใจจะฆ่าก็ไม่เป็นปานาติบาตนะก็ไม่เป็นอกุศลเพราะว่าถ้าล่วงศีลก็มีองค์5เนาะสัตว์มีชีวิตข้อที่หนึ่งสองรู้ว่าสัตว์มีชีวิต 3. ม, มีความตรงใจตั้งใจจะฆ่า 4. พยายามกวาดเป็นต้น 5. สัตว์นั้นตายลงนะถ้าเราไม่มีความตั้งใจจงใจก็คื อ, ข, อข้อที่สามว่าอยากจะฆ่าเขาเออมันก็ไม่เป็นอกุศลละจิตนะเมื่อถ้าเราไม่มีตัวนี้แม้สัตว์อื่นตายลงก็เราก็ไม่ได้ทำบาปเพราะวัดเป็นบุญเป็นบาปวัดความจงใจความตั้งใจของของคนเหล่านั้นนั่นเองว่า เขาตั้งใจจะทําอะไรถ้าเราตั้งใจจะกวาดบ้านทำความสะอาดเนาะแล้วก็ไม่เห็นเลยว่ามีมดหรือว่ากวาดเพื่อจะเอามดออกอย่างนี้นะแล้วไม่ต้องแล้วก็กวาดไม่ได้กวาดแรงๆเพื่อให้เขาตายนะเป็นต้นก็ไม่เป็นไรโยมแต่ก็ถ้าได้ก็ถ้าเห็นอยู่จะจะว่ากวาดแล้วยังไงก็ตายก็ใช้วิธีอื่นบ้างก็ได้น้อยโยมเนาะใช้วิธีอื่นบ้างก็ได้แต่การที่าาก็เห็นว่าหลายคนเขากวาดแล้วมันก็ไม่ตายนะ กวาดแล้วไม่ตายจะกวาดแรงๆกวาดแบบอ่อนโยนอ่อนโยนนโยมเนาะกวาดแบบคิดว่าจะช่วยเอาเขาออกไปใหน้นะพระภิสูน์บางองค์เขาใช้มืมอหยิบโยมหยิบไปปล่อยหยิบไปปล่อ ย, อยก็มีนโยมนะจ้ะกั้นก็ดูวัดกันที่ตรงความจงใจนะความจงใจรักทรัพย์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันโยมมีจิตคิดจะรักไหมนั่นเองนะ คำถามเยอะเนาะวันนี้วันนี้ขอเป็นคำถามแบบพื้นๆนีแล็กซ์หน่อยแล้วกันเนาะข้อนี้ไม่รู้ตอบไปหรือยังเนาะพึงละความยินดีพูดถึงเรื่องกามที่เมื่อวานเราคุยกันเมื่อคืนนะพึงละความยินดีพอใจแต่ไปทํางานต้องเขียนคิ้วทาปากแต่งตัวสวยๆนี่บอกด้วยว่าตัวเองสวยนะจะทําอย่างไรเมื่ออาชีพต้องใช้กามในการทํางาน ปรยกวิธีทำใจด้วยโอ้โหต้องทำใจกันเลยนะเนี่ยเอาเอาตอบแบบจริงๆเลยไหมโยมต้องถามก่อนว่าอยากออกจากวัตฏะทุกไหมหรือว่ายังเป็นเพียงแค่แค่แค่ขอเริ่มเริ่มต้นก่อนของใครเนี่ยถามเลยซิว่าเอาแบบเอาจริงหรือว่าเป็นคนแบบเอาแคบบ่ ขอแค่นิดๆหน่อยๆก่อนจะถึงพ้นทุกในชาตินี้ก็อย่าพึ่งเลยหรือว่าจะเอาชาตินี้ให้พ้นเลยเอาอันไหนเอ่ยเอาตอบไปสองคำถามแล้วกันเดี๋ยวเจ้าขอไม่กล้าบอกว่าใครนะสมมติเอาแบบเอาแบบคนที่อยากจะไม่เอาละฉันเบื่อเบื่อว่าตัดสงสารแล้วนะก็ไม่ต้องแต่งหน้าทาคิ้วโยมไม่ต้องแต่งตัวสวยกลับกันมาแต่งตัวใหม่ บวชเลยโยมโกนหัวแต่งตัวชุดใหม่นะเอาชุดแบบนี้เลยโยมนะโกนหัวเข้าวัดเลยโยมอย่างนี้นะหมดปัญหาเรื่องแต่งหน้าทาคิ้วอีกเลยโยมนะหมดปัญหาเรื่องกลัวกลัวว่าเราแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวจะทำให้กิเลสเกิดไม่ต้องแต่งหน้าอีกต่อไปสบายโยมนะแต่ถ้ายังเป็นกรณีหลังคือก็อยาก้นทุกข์เหมือนกันนะแต่ชาตินี้เหรออย่าเพิ่งดีกว่า นะฉันก็อยากเที่ยวอยากกินอยากเล่นเหมือนกันนะอย่างนี้เอ๊มีวิธีไหนไหมแบบเจริญกุศลแล้วชาตินี้ยังไม่พ้นทุกข์แล้วไปชาติหน้าได้ไหมอย่างเงี้ยเอออย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นแบบลังเลลังเลก็ไม่ชอบฉันก็กลัวเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวตายนะกลัวเกิดเหมือนกันนะแต่ต้องทําชาตินี้เลยเหรออย่างงี้นะก็ <c oughs> <c oughs> <k> <k> วันพระก็รักษาศิญ8ะระโยมไม่งั้นถ้าวันพระรักษาไม่ได้ก็เป็นวันวันหยุดเสาร์อาทิตย์สักวันหนึ่งอาทิตย์ละครั้งรักษาสิญ8 วันธรรมดารักษาศีล5แต่งตัวได้นะยังกินข้าวอร่อยได้เหมือนเดิมแต่จังหวะที่ควรจะเจริญกุศลสักอาทิตย์ละวันนะก็เจริญกุศลไปเพราะภูมิของคนที่เป็นคารวาสจริงๆแล้วตามพูดตามหลักการนะคือทานกับสีคือให้ทานให้เป็นรักษาศีลให้ได้วันอุโบสถหรืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็น่าจะมีวันที่รักษาศีล8ดบ้างสักหนึ่งวันได้เจริญกรรมฐานบ้าง จเจริญเมตตาบ้างดีเลยนะสะสมเขาเรียกว่าสะสมไปก่อนแต่ถึงขั้นว่าจะเอาจริงเอาจังจากพ้นจากวัตทุกข์ไม่ไหวก็โอเคไม่ไรสะสมบุญและตั้งปาถนาว่าบุญเหล่านี้ขอขอให้เราเข้าถึงแบบพระเจ้าบรรลุอะไรรู้อะไ ร, ร, ะไรแล้วพ้นจากวัตทุกข์ได้ขอฉันรู้อย่างนี้บ้างแต่อย่าไปรักษาศีลแล้วอยากสวยอยากรวยอยากเก่งอยากได้ดีอยากเลิศกว่าคนอื่น นะแต่ทุกครั้งที่รักษาศีลทุกครั้งนี้ให้ทานทุกครั้งที่เจริญเมตตากลกายเป็นปาถนาว่าด้วยการเจริญกุศลเหล่านี้ฉันจงพ้นจากวัฏฏะทุกไวัยใจของฉันชงเบื่อหน่ายในการเกิดแก่เจ็บตายเร็วๆได้ง่ายได้เร็วได้สะดวกได้พันแต่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นความคิดจริงๆนั่นเองเนา ะ, อะตอบสมควรแก่คําถามเนาะโยมเนาะเพราะคําถามเยอะเหลือเกินวันนี้เป็นสิบเลยโยม ขออนุญาตนะครับพอดีผมม่จะมีความเห็นที่แตกต่างหน่อยนึงเนาะคือเราอาจจะใช้วิธีการให้เหตุผลแทนเพราะว่างานบางประเภทนะไม่แต่งหน้าไม่ได้รับความเชื่อถือนะองานบางประเภทนะ อ, อย่างมีลูกศิษย์เหมือนกันเป็นต้องดูแลเด็กเวลาไม่ไม่ไม่แต่งหน้าไปพ่อแม่เด็กรู้สึกเหมือนไม่เชื่อถือก็อาจจะต้อง ต้องต้องมีการเกี่ยวข้องคือให้เหตุผลกับตัวเองเหมือนกันเวลาแต่งออกมานะแล้วเราก็อาจจะแต่ต้องไม่หลอกตัวเองนะแบบว่าบางทีการแต่งตัวมันในสังคมไทยมันค่อนข้างเกี่ยวนะเพราะสังคมไทยการแต่งตัวนี่เป็นการบอกฐานะชนิดหนึ่งสร้างความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่มันไอเดิมันเกิดตรงไหนโยมตอนเวลาส่องกระจกไง เวลาสองกระจกทุกครั้งเนี่ยไม่ต้องพูดออกมาหรอกแต่มันจะบอกว่าชั้นสวยทุกครั้งโยมว่าต้องให้เหตุผลแทนไอ้ตรงนั้นน่ะออมาวัดก็เหมือนกันนะโยมบางทีมันมันถึงขั้นเพิ่งใบก็ไม่ดีนะโยมบางทีมันแบบไม่เป็นที่จเจริญตาแก่เด็กรุ่นใหม่ๆไม่ยอมเข้าวัดอะ่ะเขาจะมองเราเป็นคนอีกประเภทหนึ่งไปเนี่ยไมโ ย, ยมออนางวิสาขาเนี่ยเวลาเขาเข้าวัดเขาแต่งตัวนะใช่ไม สังเกตได้ว่าทำไมถ้ า, ถาเขาไม่แต่งตัวเขาจะไปดื่มเครื่องประดับมหาระดาประสาทอยู่ในวัดได้ไงออแต่งตัวบูชาพุทธเจ้าแต่โยมคิดอย่างเขาหรือเปล่าแตละโ ย, ยมทำนะเพราะว่าบางทีเรื่องของกามเนี่ยการไปหักดิบหรือต้านกระแสเกินไปกับทางโลกเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีถูกต้องพุทธศาสนาสอนวิธีสวนกระแสชมคือทวนกระแสหมายว่าก็ใช้กามนั่นแหละ อย่างมิโงจะตั้งจิตให้เป็นกุศลว่าวันนี้แต่งตัวเพื่อจะออกไปหาเงินหาเงินแล้วจะามาทําบุญเป็นต้นยกตัวอย่างนาะยยมนะแต่ยมต้องคิดอย่างนี้ได้จริงๆนะจงโยมจะทันกิเลสตัวเองหรือปะอืมเอาเดี๋ยวจบคําถามนี้ไว้แค่นี้นะแล้วก็ต่อไปคําถามต่อไปคนป่วยหนักใกล้จะตายญาติหรือพยาบาลโรงพยาบาลเปิดเพลงบทสวดมนต์ของพระเพื่อให้ผู้ป่วย ที่กำลังใกล้จะตายได้ไปสู่พบภูมิที่ดีความเชื่ออย่างนี้จะจริงเท็จอย่างไรครับก็อยู่ที่ว่าเปิดฟังแล้วมันสบายใจหรือหงุดหงิดถ้ายิ่งฟังยิ่งหงุดหงิดมันก็คงไม่ได้ไปพบภูมิที่ดีเนาะแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกสบายใจสบายใจคือกุศลและจิตเกิดนั่นเองนะรู้สึกศรัทธาเกิดขึ้นนะ จิตเตอสังกฤตเถสุขติปาติกังขาว่างเงินเถภาษาบาลีคำนี้ก็แปลว่าถ้าจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็พึงหวังได้นั่นเองเพราะฉะนั้นคำถามเมื่อกี้ที่บอกว่าเมื่อคนแก่คนป่วยคนเจ็บคนแก่อะไรทั้งหลายเนี่ยใกล้ๆจะตายแล้วเขาเลยต้องเปิดเพลงธรรมะให้ฟังวัตถุประสงค์ของการเปิดเหล่านั้นเขาก็ต้องการให้จิตของคนนั้นเกิดความเลื่อมใสศรัทธานั่นเอง เมื่อจิตของคนนั้นเกิดความรื่นเฉยศรัทธาและลึกไปในบุญในกุศลได้ก็เป็นจิตที่อสังกปริทะก็คือไม่เศร้าหมองเมื่อจิตไม่เศร้าหมองตอนตายนะกุศลทั้งหลายที่เราเคยทำหรือคนคนนั้นเคยทำก็จะมีโอกาสให้ผลนะก็จะไปพบภูลที่บีเหมือนกับนะในในธรรมบทนโะยมเนาะเขามีมัตรกุณรี นะเขาทั้งชาติเกิดมาไม่เคยทำบุญอะไรเลยนะแต่สุดท้ายบ้านปลายชีวิตก่อนกำลังจะตายพูนะพุทธเจ้าก็เดินไปที่ตรงนั้นเข้าหันหลังให้พูุทธเจ้าด้วยนะโยมนะพะพุทธเจ้าก็เดินเข้าไปไ ป, ไปเดินเข้าไปไกลแล้วเปล่งฉัพพันธรังสีแสงสปัญญานสีก็วิ่งไปชนกับกำแพงนะเขาก็เอ๊แสงอะไรแปลกๆก็เลยหันมามองเลยเห็นพพุทธเจ้าป่วยจัดโยมยกมือยกมือไหว้ก็ไม่ได้ ทำการบูชาอะไรก็ไม่ได้เขาได้แต่คิดว่าเรานี่เป็นคนโชคหลายจริงตั้งแต่มีชีวิตอยู่ทานศีลก็ไม่เคยรักษาขเขาเลยด้วยอาศัยพ่อที่เป็นคนตะนี่คนเดียวนะวันนี้เม้จะยกมือแรงที่ยกมื อ, มอพนมนะมอบดอกบัวด้วยมือก็ยังทำไม่ได้แต่เราจะมีแต่ใจนี่แหละความรู้สึกเคารพอาถนาดีตอนน่อในสัพะสมารสมุทรเจ้า แล้วก็เสียชีวิตมัทกุลทลีนั้นก็ตายไปเกิดเป็นเทวบุตรในชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงวีมีวิมาน18โยออย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมยโยมเกิดได้เห็นไหมยโยมก็เกิดใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าขณะที่เปิดเพลงแล้วคนป่วยนั้นจิตใจเลื่อมใสไหมถ้าคนป่วยนั้นเป็นคนที่มีปกติเจริญกุศลง่ายการที่เราเปิดธรรมะให้ฟังหรือไปเล่า ว, ว่า คุณตอนวันนู้นนะคุณจําได้ไหมคุณเคยรักษาศีลแล้วอย่างนี้คุณเคยเป็ปฏิบัติธรรอย่างนั้นคุณเคยเจริญเมตตาอย่างนี้คุณเคยให้ทานจาได้ไหมตอนนั้นคุณไปใส่บาตรอย่างนี้นะคุณเคยไปให้ทานแล้วอย่างนี้คุณไปสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างอะไรอย่างนี้พวกพ่อพูดไปแล้วเขาเกิดจิตระลึกได้ในกุศลเออสุขติปาติกังขาว่างันเถอะความความจะเข้าถึงสุขติภพภูมิย่อมเกิดไดแน่นอนแต่กลับกันนโยมนะถ้าเป็นคน ไม่ชอบสิ่งเหล่านี้เลยเราไปเปิดสิ่งเหล่านี้เขาฟังจะเกิดอะไรขึ้นโยมโกโรธถ้าโกโรธไปไหนไปอบายไปนรกนริยภูมินี่เพราะฉะนั้นคำถามของโยมก็ต้องตอบอย่างนี้เลยโยมนะมันฟันธงไม่ได้ว่าเราไปสุขติไหมนโยมก็ต้องดูว่าสภาพใจของเขาเป็นกุศลหรืออกุศลจากที่ได้ฟังนั่นเองเข้าใจในคาถามที่ตอบเนาะ ก็เรื่องนี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้นะเพราะว่าไอการช่วยผู้ป่วยใกล้าตายตอนนี้มันเป็นอะไรอบรมที่ค่อนข้างจะมีเยอะเยอะและเยอะแยะและ้วเฟื่องฟูแล้วหาในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะมีทั้งพระทั้งโยมจัดนะไปช่วยตามโรงพยาบาลต่างๆลองไปเจอไปไปทำเป็นอ า, าสาสมัครเองหรือไปไปถามคนที่มีประสบการณ์จริงๆดูนะจะได้จะเข้าใจประสบการณ์ตรงนี้ พนักงานที่ทำงานในบริษัทที่ขายไก่สดแห่งหนึ่งแล้วก็ขายไก่ทอดชื่อดังแห่งหนึ่งนะโยมดาวเองนะออมบริษัทขายเหล้าขายเบียรพนักงานโรงงานยาสูบคนพวกนี้จะผิดศีลไหมทั้งที่พวกเขาไม่ทานไก่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครับอ๋อถ้าทำงานใน บริษัทที่ฆ่าไก่นะฆ่าสัตว์นั่นเองเนาะหรือบริษัทที่จะต้องมีการค้าขายสุราเป็นต้นนะเออถ้าเป็นแ ย, แยกตอบดีกว่าโยมถ้าเป็นธุรกิจที่การฆ่าสัตว์เราทำในบริษัทนั้นเราฆ่ากับเขาไหมถ้าเราฆ่าเราก็ต้องผิดศีลแน่นอนถูกใช้ฆ่าก็ผิดศีลแต่ถ้าเราไปทํางา น, ผานแผนกบัญชีนะ หรือรแผนกการเงินแผนกขนส่งอะไรเงี้ยว่าเธอะก็ต้องมาดูว่าเออมาดูหลักการนี้นั้นหนึ่งค่าเองก็ดีค่าเราเราค่าเองเลยสองใช้ผู้อื่นค่าก็ดีสยินดีในการค่าก็ดีสกล่าวคุณสารเสริมการค่าก็ดีล้วนไปอบายทั้งนั้นเออเขามีทฤษฎีอย่างนี้นะค่าเองก็ดีใช้คนอื่นค่า ยินดีกล่าวคุณสารเสริญของการค่านั้นล้วนไปไปสู่วบายกันทั้งสิ้นหมายความว่าเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าคนที่ทํางานบริษัทนั้นค่าเองไหมไม่ใช่ใช้ผูู้อื่นค่าไหมถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปใช่ไหมถ้าไม่ใช่แล้วไปเนอะยินดีในการค่าของเขาไหมถ้าไม่ยินดีก็รอดสารเสริญมไหมโอ้ยการเลี้ยงไก่นี่มันดีทําส่งออกอย่างนี้นะมีไก่เยอะๆดีไม่มีก็รอดไป ถ้ามีอย่างไรอย่างหนึ่งก็โดนด้วยง่ายๆอย่างนี้โยมนะวิธีคิดคายง่ายๆอย่างนี้นะส่วนค้าขายน้ำเมาเออมันเป็นมิจฉาวินิจาเลยโยมเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะสมจะทำเนาะพุทธศาสนิกชนเขาไม่ทำเหม่านกันพุทธศาสนิกชนไม่ทากันเพราะว่ามันจะมีอนิสงค์ของบาปเหล่านั้นจะมาเปื่อนเราด้วย เหมือนอะไรโยมเหมือนธรรมาตชอบคำคานี้นะบุคคลใดช่ยให้ผู้อื่นทำกรรมใดแม้คนเหล่านั้นทำกรรมแล้วย่อมมีผลต่อผู้ชวนคนนั้นด้วยนะบุคคลใดช่ยให้คนต้องร้อยทำกรรมผลของคนต้องร้อยที่ทำนั้นย่อมกลับมาสู่คนคนนั้นด้วย แปลว่ากรรมนะั้นถ้าทําดีถ้าไปชวนคนร้อยคนทําดีผลดีจะกลับมาสู่เราไหมกลับมาถ้าชวนคนคนคนทำไม่ดีผลไม่ดีจะกลับมาสู่เราไหมกลับมาถ้าเราไปขายเหล้าให้คนอื่นกินนะโดยเราเราก็ารู้ว่ามันไปนเหล้าอ่ะเราก็าส่งให้เขามันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมโยงเราก็รู้นะเขากินแล้วเขาจะเมาอ่ะมันเป็นมิจฉาวิชา แต่ตัวบาปตรงๆเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้แต่ผลที่เป็นอนิสง์ผลมันนะคงจะโดนด้วยโอกาสโอกาสโดนสูงนะโยมนะเพราะอะไรเพราะคนที่ค้าขายในธุรกิจพวกนี้มังจะไปตกอย่างนี้ละโยมยินดีในการค้าขายนั้นหรือสารเสริญคุณของการกินนั้นถูกไหมโยมในการดื่มเหล้าในดื่มสุรานะยาเมาเหล่านี้เป็นต้น ก็ต้องปยินดีพอใจแล้วก็สรรเสริญแล้วก็เห็นดีเห็นงามสำนันวนไทยเขเรียกเห็นดีเห็นงามกันนะนโยมนะเห็นดีเห็นเออค่ะ ข, ขายเล้าก็ดีนะจะมีสักกี่คนโยมที่ต้องไปขายสิ่งเหล่านี้แล้วคิดว่ามันเป็นโทษมันเป็นโชคร้ายของเราเป็นโทษในวัตฏะจริงๆที่เราจะต้องมาข้องเกี่ยวกับธุรกิจพวกนี้แม้ไม่อยากทาอยู่ก็ต้องฝืนใจทาเนี่ยเพราะอาศัย ความกรตันยูในพ่อแม่เพราะเราต้องหาเงินมาเลี้ยงดูบิดามารดานะแล้วกิจกรรมอื่นที่จะเลือกได้ก็ไม่มีเลยมีกิจกรรมเดียวเหมือนอะไรเหมือนกับเรื่องนี้เขาจะยกกันบ่อยนะโยมนะมีพระโสดาบันไปแต่งงานกับในพานราชสัตว์ในพ า, า, านนั้นก็เลยสั่งให้ภรรยาเนี่ยเหลาไม้โยมเหลาไม้ธนูลูกสอนให้ภรรยาก็ไม่มีจิตคิดจะเบียดเบียนสัตว์เลยมาดียินดีการฆ่าเลย ไม่ได้พอใจการฆ่าสัตว์เลยแต่ทําด้วยเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ภรรยาที่ดีจะต้องทําให้สามีถ้าเราไม่ทําภรรสามีก็ต้องทําก็เลยช่วยเหล่าไม้แต่ช่วยฆ่าสัตว์ไม่เอายินดีในการฆ่าไม่เอาสารรเสริญไม่สรรเสริญพอใจไม่พอใจเลยมีแต่ปรารถนาจะอยากให้เขาเลิกโดยส่วนเดียวถ้าอย่างนี้ก็รอดถ้าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะโยมคนที่ถามเนาะหรือว่าไปเจอใครเป็นแล้วเป็นอย่างนี้ไหมนั่นเองเนาะ คำถามนี้อ า, าตมาขอตอบเมื่อยาวมากเกินาปเท่านี้แล้วกันนะิยมเนาะยมว่าไงนะิยมยมเขาถามว่าถ้าขายน้ำแข็งให้ร้านเหล้าขายถุงให้ร้านเหล้าอ๋อครับอาจารย์อ๋อก็ ถ้าขายของให้ร้านขายเหล้าเราขายของของเราไม่เกี่ยวกวับเขาใครมาซื้อแล้วก็ขายหมดใช่ไหมเออเงินก็ตัดตอนกันไปฮะยังไงนะมันอย่างอย่างนี้โยมขออนุญาตนะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับน้ําแข็งโยมอมืเขาจะขายเหล้ามันเกี่ยวกับเขาจัดร้านเก่งใช่ไหมโยม เหมือนกับถ้าสมมุติว่าเราขายของให้ร้านเขาได้มากมันก็แปลว่าเขาก็ขายเหล้าของเขาได้มากเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะขายน้ําแข็งได้มากอย่างจะเป็นน้ําแข็งหรือจะเป็นถุงหรือจะเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนกับขายร่วมอะค่ะอ๋อเขามาซื้อเราโยมไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวใช่ไหมคะจ้าไม่เกี่ยวแต่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราขายขายเขาได้มากแล้เขาเราขายเขาได้มากถ้าบอกเขาขายได้มากมันก็เป็นการร่วมยินดีในการ เราก็จะไปยินดีกับเขาสิเพราะว่าเราไม่เปิดร้านมาขายให้ร้านนี้โดยเฉพาะเราเราก็ขายได้มากไงคะจ้าก็เราไม่ได้คิดจะคือเราไม่ได้ยินดีในการที่เขาขายได้มากแต่เราแค่ยินดีว่าเราขายได้ขายได้ก็ใช้ได้ก็ใช่โยมได้ใช่ไหมคะจ้าคือไม่เพราะเราเปิดร้านขายน้ำแข็งขายถุงไม่ได้เปิดร้านส่งเสริมการกินเหล้าถูกไหมโยมเนาะสาธุจ้า มันกรณีเดียวกับขายมีดแต่โยมอยู่ที่คนเอาไปใช้ใชไม่โยมเออมันมันอันเดียวกันออแต่ถ้าอีกอย่างหนึง่งอย่างเช่นเอาพ่อแม่โยมบางคนยังกินเหล้าอยู่อะ่ะเออแล้วก็ใช้โยมไปซื้ออันโยมจะผิดไหมเอ อ, เอไปซื้อให้หน่อยดีตามหน้าที่ลูกออจะเลี้ยงไงครับอาจารย์ผิดไหมมีโทษไหมครับ อ๋อถ้าพ่อแม่ใช้ลูกไปซื้อฉันก็นึกถึงตอนฉันเป็นเด็กกนะันเนาะอาตา ม, มาตอนเป็นเด็กเกก็เห็นเขากินเหล้ากันโยงก็เลยเป็นดูเขากินบ่อยๆเขาก็เริ่มชงให้เขาพ่อก็ไล่หนีเฮ้ยอย่ามายุ่งแถวนี้นะพอพ่อเผลอเราก็เริ่มชงกินกันเองอยากรู้มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้ะโยง นะถ้าถูกพ่อแม่ใช้ไปซื้อมันกันยากโยมที่จะรู้สึกว่าไม่ยินดีแต่ถ้ากันได้เป็นดีเพราะเราทําตามหน้าที่ลูกถ้าเราไม่ซื้อเขาก็ต้องเดินไปซื้อเองถูกไหมถ้าเราไม่ซื้อแล้วเขาต้องเดินไปซื้อเองแล้วก็ไปซื้อเถอะนะแต่เราต้องต้องไม่ยินดีกับการกินเหล้าแล้วต้องตั้งใจว่าถ้าเราบอกให้พ่อเลิกกินได้เราจะบอกวันนี้เลยถ้าขอร้องพ่อพ่อจ๋าอย่า ก, กินเลยแม่จ๋าอย่ากินเลยแล้วเขาจะหยุดได้เราจะรีบพูดทันทีเลย แต่เพาะเราไม่พูดเพราะเรารู้ว่าพูดไปเดี๋ยวเขาจะเตะเราก็เลยไม่กล้าพูดแล้วไปโยมแต่ปกติของลูกส่วนใหญ่ถ้าเห็นพ่อแม่ทําอะไรยินดีตามทั้งนั้นเลยโยมถ้าพ่อชอบฆ่าสัตว์เราก็ชอบฆ่าสัตว์พ่อชอบตกปลาเราก็ชอบตกปลาพ่อชอบกินเหล้าเราก็กินเหล้าพ่อชอบเล่นการพนันแล้วก็ชอบเล่นการพนันพ่อชอบเข้าวัดเราก็ชอบเข้าวัดถ้าพ่อชอบนั่งสมาธิแม่ชอบนั่งสมาธิลูกก็ชอบนั่งสมาธิมันไง่ายอย่างนี้เลโยมนะเพราะคนในที่นี้ ก็ต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่กันเนาะแล้วก็เคยเป็นทั้งพ่อแม่มาเอ้ยเคยเป็นลูกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ในยะอย่างนี้เลยโยมถ้าเรามีลูกมีหลานเราก็ใช้เขาทําดีๆแล้วก็ทําสิ่งดีๆเขาเห็นนั่นเองเนาะดีไหมธรรมะก็เลยเสริมขึ้นมาให้นะอ๋ออ้าวโยมเขาถามว่าคนชงเหล้าคนชงเรามียนี่สงอะไรเอ่ยครับชงเหล้ามีนี่สง เ, เหรอรก็โตมาก็ชวนคนอื่นกินเหล้าไง ตะมาก็เคยนโยมนะตอนนีเด็กก็ชงเหมือนกันโตมาก็เป็นคนชอบดื่มเหล้าอยู่ช่วงใหญ่ๆเลยนะอันนี้สงก็คือผลของการยินดีในสุราคือเป็นคนสติสมัญญญ yeah! มปันญะแย่โยมนะถ้ามาเกิดในภพถัดๆไปก็จะเป็นคนความจําไม่ดีความจําไม่ดีเป็นเขาเรียกอะไรนโยมพิการซ้าซ้อนบ้าใบบอดหนวกชอบไหมโยมไม่ชอบเลยตมาก็ไม่ชอบเหมือนกันตมาก็ไปทํามาแล้วเหมือนกัน ไม่เป็นไรทํามาแล้วก็ไม่เป็นไรก็มันแก้อะไรไม่ได้แล้วทํากุศลใหม่แก้เอาอย่างเดียวพอเรื่องอดีตจบแล้วก็จบไปนะโยมนะั้นรู้แล้วก็เป็นเรื่องสบายใจสบายใยก็มันโทษของวัตตะนะหมายถึงโยมตมายกตัวตัวอาตมาแต่หมาถึงพวกโยมด้วยนะอะไรที่เคยทําผิดไปแล้วมันเป็นโทษของการเกิดเพราะเราต้องเกิดมันก็เลยทำผิดกันเยอะแยะจะไปหมดเลยเมื่อเราได้รู้ว่าเราทําผิดไปแล้วเราก็เพียงรู้โยมรู้แล้วก็ตั้งใจว่าสิ่งนั้นเราจะไม่ทําแล้วกลับกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะมาขวนขวายจเจริญกุศลกันเพราะคนที่เคยไม่เคยทำบาปในที่นี้ธารมาไม่เชื่อหรอกไม่ไม่มีมีกันหมดนั่นเองเนาะฆ่าพ่อก็ฆ่ากันมาแล้วฆ่าแม่ก็ฆ่ากันมาแล้วน่ะป้นฆ่าคมขืนเคยกันมาทั้งนั้นโยมในที่นั่งอยู่ในที่นี้แต่ชาติไหนแค่นี้จะนึกออกหรือนึกไม่ออกมีแต่บาปแรงๆกันทั้งน้นะทั้งนั้นโยมถ้าไม่ได้บาปแรงๆป่านี้พ้นวัตทุ ก, กนไปนานแล้วโยม จะไม่โยมพระพุทธเจ้าพาเราออกจากวตาได้แล้วแต่เพราะเราทำอกุศลไว้กันเยอะกุศลทำไว้น้อยมันเลยต้องค่อยๆสั่งสมกันต่อไม่เวลายมเรารู้แล้วเขาเป็นไงก็เพียงแต่เลิ่มใหม่อย่าไปทุกข์ใจกังวลใจกับบาปเก่าให้กุกุจะคือเดือดเนื้อร้อนใจมันเกิดนั่นเองเนาะง่ายๆเท่านี้เนาะโยมเนาะง่ายๆแค่นี้ดีไหมนะแล้วมันจเจริญเมตตา ความสุขใจสบายใจก็เกิดขึ้นนั่นเองง่ายอย่างนี้แหละโยมเนาะก็ขออนุญาตเล่าส่วนตัวแล้วกันเนาะขอขอยาวนิดนึงคำถามนี้คืออาตมาก็ตอนมาเข้าวงการก็เป็นเหมือนโยมตอนเริ่มเข้าวงการ เ, ออเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าถ้าตอนที่เด็กๆโยมเด็กๆอยู่โยมไม่รู้ทำไปมันก็มีอันนี้ส่งของโทษแต่โยมจะไปคิดตอนนั้นโยมยังไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่ตว่าโยม มีวุฒิภาวะแล้วว่าหาเลี้ยงตัวเองได้มันก็ควรจะแยกแยะระหว่างคำว่าเคารพกับเชื่อฟังหรือก็ตันยูนะโยมมันต้องแยกแยะให้ถูกนะการที่เราไม่ไม่ไปทำแบบนั้นไม่ใช่ว่าจะว่าเราปฏิเสธอืมเขาก็จะเข้าใจจุดยืนของเราแรกแรกมันจะมีอาการไม่พอใจนะ ถ้าเทียบกับตัวอย่างพระโสะดาบันเมื่อกี้เนี่ยคือเมื่อกี้ภรรยาเป็นพระโสะดาบันสามีเป็นปุถุชนถ้าภรรยาไม่ทําสามีโกรธโกรธพระโสะดาบันมีโทษมากแต่พ่อแม่โยมโกรธโยมไม่มีโท ษ, ไ ม, มโทษไม่มีโทษอะไรมากมายนะเออแล้วอาตมาเคยได้ยินมานะัไม่รู้เท็จจริงยังไงคือว่าถ้าเราต้องไปชงให้เขากินหรือเป็นคนยื่นให้เขากินเนี่ย ตอนที่เขาเกิดมาพิการซ้ำซ้อนเราเนี่ยเป็นคนต้องไปเลี้ยงเขาเพราะเราอาชงให้เขากินออนะก็หาวิธีการตอบแทนพ่อแม่อย่างอื่นแต่โยมจะศีลโยมจะดีโยมต้องเข้มแข็งในจุดยืนเรื่องกรรมของโยมเองไงว่าอยู่ในวัตฏานียบาปหีกเลี่ยงยากใครชอบทําโยนให้เขาทําโยมพี่น้องมีหลายคนใครทาเป็นให้เขาทาแต่โยมอย่าไปทำเขาใช้ใครได้เขาไปใช้โยม เอแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอาตมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยวันเกิดสมมพ่อแม่อาตามาชอบกินเหล้าเหมือนกันยกตัวอย่างสมมตินะเออก็หลีกเลี่ยงอย่าไปเลี้ยงมื้อเย็นนะเลี้ยงวันเกิดมื้อเย็นชอบกินเหล้านะใช่ไหมอาจจะเลี้ยงกลางวันมมไม่กล้ากินเลี้ยงกลางวันแทนแต่ถ้าต้องเลี้ยงมื้อเย็นแล้วเขาต้องสั่งเหล้ากินด้วยเพราะร้านนี้ถ้ามันไม่กินเหล้าด้วไม่อร่อยเราก็ทําใจแต่ว่าเราเลี้ยงพ่อแม่อาหาร แต่สตางค่าเหล้าออกให้ไหมออกให้ทั้งค่าเหล้าและอาหารแต่ว่าเราทําเจตนาว่าเราต้องการจะเลี้ยงแค่อาหารเออแต่ส่วนที่เขาไปกินเหล้านั่นมันเป็นเรื่องของเขาอยู่ที่นอกเราควบคุมแล้วเท่ากับเราก็ตันยูกระตันยูแบบสายสะอาดเหมือนเดิมนยโยมนะโทษจะได้ไม่เกิดไกโยมในในหนังสือสวดมนต์ปัดธนะ ธ้าปะัะคาถาก็คือที่ตั้งคาําอธิษฐานยาวๆนะในบทสวดมนต์นะโยมนะก็เขาถามมาสี่ข้อครับเป็นเป็นคำสับก็คือโลกุตระธรรมเได้แก่อะไรบ้างครับโลกุตระธรรม9นะโยมนะได้แก่โสดาปฏิมักสกัตทาคายมีมักอนาคามีมักและอัตมักสี่แล้วเนะนาะอนัตโซดาปฏิผลสกัทามีผลอนาคาปฏิผลและอัตผลอีกสี่เป็น8นิพานอีกหนึ่งเป็น ก้าวงั้นนะถามตรงนี้แล้วเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งบทส่วนมนจะมีคำหนึ่งว่าโลกุตระและส่วนใดที่เป็นชี้แนวเห็นโลกุตระนั้นเคยทำวัดเคยมีคํานี้ใช่ไหมโยมนะก็คือเมื่อกี้บอกว่าโลกุตระทำาวนะเป็นตัวพระธรรมจะมีอีกบทหนึ่งก็จะบอกว่าพระธรรมคือโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นไอ้ส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นคือตัวพระสธรรมนั่นเอง ก็คือตัวพระสัตยธรรมที่โยมมานั่งเล่าเรียนเขียนอ่านฟังกันอยู่นี่ในโยมนะพระเจ้า บ, บิดกคําสอนพระเจ้าทั้งหมดหรือคําที่ขยายความของพระคำสมุทรพระเจ้าทั้งหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าส่วนส่วนที่เป็นตัวชี้แนวแห่งโลกุตละเพราะมันเป็นปัจจัยแก่มกรรคสี่ผล4นิพพานหนึ่งนั่นเองนะโลกุตละธ ร, รรมมี9แต่ส่วนที่หยิบยื่นส่งผลักดันให้ถึงโลกุตละธ ร, รรม9ก็คือส่วนพระสัตยธรรมนั่นเองที่เราสวดว่าธรรมังสนังขาชามินั่นแหะ นะไอ้ตัวธรรมังอันนึงก็คือตัวพระสัตธรรมนั่นเองตัวคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั่นเองนะโยมเนาะที่โยมมาเรียนเมตตาก็เป็นคําสอนพระเจา้าที่โยมมาเรียนอนามัสติก็คือคําสอนพระเจ้าที่จะทําให้พวกโยมทั้งหมดเข้าสู่มรซ4ผล4นิพพานหนึ่งั่นเองเนาะก็เลยตอดเกินที่ข้าท่านบอกโลกุธรรมก้าวด้วยแล้วก็เกินโลกุต ธ, ธรรมก้าวคือมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นส่วนของพระสัตธรรมด้วยเหมือนกัน อันนี้มันมีสี่ข้อนะครับข้อสองเว้นทั้งห้าคืออะไรครับในบทสวดเดียวกันเวนทั้ง5้าแล้วลืมพระโยมอันเนี้ยเข้าใจว่าพึงเว้นจากเว้นทั้ง5้าใช่ไห ม, มเว้นทั้ง5้าก็ศี่ห้าอ่ะสี่ส้าผเข้าใจว่าอย่างนี้นะเวนทั้ง5้าต่อมาความอาภัพสิบปอย่างโอ้โหจะไล่หมดไหมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนโยมนะลองไล่ดูก่อนนโยมจะหมดหรือเปล่ามันไม่ได้คิดเรื่องนี้นานแล้วก็มีอาภพสิบ8อย่างเป็นความอาพัพของผูุ้ชนนะแต่ของพระนิยตตาโพธิสัตว์จะไม่ต้องเกิดอย่างนี้คือเกิดเป็นเปรตเป็นพวกขุปปิปาสิกาเปจะไม่ต้องไปเป็นโยมนะไม่ต้องไปเกิดเป็นกระเทยไม่ต้องเกิดเป็นผู้หญิงนะไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์ที่เล็กกว่า ซึ่จะนกกรทามื่อกี้ผมนะไม่เป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่าช้างนะไม่เกิดในจักรวาลอื่นนะถ้าจะเกิดในในมนุษย์ก็เกิดในชมพูทวีปเท่านั้นนะไม่เกิดเป็นบ้าใบาบอดนวกไม่เกิดเป็นคนป่านะไม่เกิดเป็นในสัญญาสัตว์พมสัตว์ พ, พไม่เกิดในอรูปภพนะ ไม่เกิดไม่บรรลุปเป็นพระโสดาบันตาบกว่าจะบรรลุสัมมาสัมพวิยานได้สักสิบกว่าข้อแล้วโยมที่เหลือนึกไม่ออกแล้วโยมอ๋อเกิดเป็นธาตุเนาะไม่เกิดเป็นธาตุมีใครรู้อีกนึกออกอีกมาช่วยจะมา น, นึกหน่อยไม่เกิดเป็นธาตุอีกขาดอีกสองฮะเขาว่าไง ไม่ได้ยินว่าไงนะนอนอ๋อไม่เกิดเป็นสัตว์เล็กกว่านกกระ t h นั่นเองอ๋อไม่เป็นนิยต์จ่าไม่ไม่เป็นนิยตนน์นิยต์จ่ามิจฉาทิฐิเออได้อีกอันหนึ่งแล้วอันสุดท้ายอ๋อไไมีเปรตไปแล้วไ ม, ไม่เกิดในโลกโลกกั โลกาลตริกาณิกานรกน้องเออใช่ไม่เกิดในนรกที่หยาบช้ามากอะโยมพวกเอเวจีหมหานรกเลยพวกโลกาลตริกานรกที่เป็นนรกหย า, าบช้าเกินไปพระโพธิสัตว์เนี่ยต่อโพิสัตว์จะไม่เกิดอย่างนั้นเพราะมีปกติทำบาปไม่รุนแรงก็จะไม่ต้องไปเกิดอย่างนั้นนั่นเองเป็นความอาภัพ18อย่างที่คนทั่วไปต้องต้องเจอ ก็คือพวกโยมและอาตมาจะต้องเจอจะเป็นนิยตาบริษัทจะไม่เจอโยมไม่เจอนะก็อาภาพัพ18อย่างเกิดเป็นสัตว์เล็กๆหรือสัตว์ใหญ่กว่าช้างพวกนี้นะเช่นปลาวานอย่างนี้นะพวกเรางต้องไปเกิดเล็กกว่านกกระทาก็พวกหนอนนี่ที่พวกโยมบอกนะเป็นหนอนนะต่อไปข้อแตกต่างระหว่างคําว่ายานกับชนันยานกับชานชานเป็นกลุ่มของ ฌานสมาบัตนะเขาเรียกว่าฌานนี้จะใช้กับคู่กับฌานสมาบัตนะฌานนี้เป็นเรื่องของกลุ่มสมาธิที่มีกําลังเช่นปฐมฌานทุติยฌานตติจตุปัญจฌานนะอากาสานัญจาวิญญาณัญจาอากินจัญญาเนวสัญญานาสัญญาญาชนะฌานฌานมีมี8หรือ9กาฌานนะหรือเรียกว่าสมาบัติ8หรือสมาบัติ9นั่นเองเป็นกลุ่มของการเจริญสมาธิ ที่มีกําลังนะชานชานมาจากคำเมืนมาจากชอานอชาญชาณนะชา น, นี่นะแปลว่าเพ่งเพ่งแปลว่าเผาไม่ใช่ว่าเพ่งจ้องนะแปลว่าเพ่งแปลว่าเผาเพ่งเผานี่แปลว่าเพ่งและเผาซึ่งป่าประธรรมคือกิเลสมีนิวรณ์ทั้งหลายเป็นต้นกลุ่มชาญก็ทําหน้าที่อย่างนี้เหมือนอะไรโยมคนไทยจะได้ยินคําว่าชานใกล้ๆกับชาญเช่น ชาปนกิจแปลว่าอะไรโยมเผาศพเห็นไหมมาจากชาธาตุเหมือนกันเลยที่แปลว่าเผานะภาษาบาลีมาจากชาธาตุเหมือนกันชาปนะกกชาชาะชานชานะานะกัจชาปนะชาปนะก็มีปอปลาขึ้นมาหน่อยนึงนะโยมเนาะแต่ชานะที่เรียกหรือคนไทยออกเสียงเป็นชาญชาญเนี่ยก็คือไม่มีตัวปอปลาเป็นศัพท์ว่าเพ่งเผา แต่ตรงนี้เป็นหมายถึงว่าตัวสมาธิที่มีกําลังเพ่งเผาซึ่งบาปธรรม ท, ทั้งหลายให้เหือดแห้งไปนั่นเองคำว่าเพ่งเผาไม่ได้หมายถึงให้เราไปทำลายมันจริงๆแต่เมื่อกุศลธรรมเกิดอากุศลกลุ่มบาปที่ตรงข้ามก็ไม่เกิดอย่างที่เวลาโยมจเจริญเมตตาเมาื่อกี้ปุ๊บเมื่อโยมจเจริญเมตตาอยู่โทสะที่ไหนจะเกิดได้เห็นหมโยมมัน เชื่อว่ามันเผาบาปเรียบร้อยแล้วทําแค่นี้โยมที่เรียกว่าเผาบาปไม่ต้องไปทําอะไรเลยเพียงแต่กุศลจิตเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานจนมีกําลังอกุศลก็หยุดโดยอัตโนมัติอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเผาเรียกว่าเพ่งเผาไม่ได้หมายถึงไปจ้องเหมือนไปจ้องลมแล้วใชใ้มันเกิดไม่ใช่นะโยมนะไม่ใช่ยิ่งมารู้สึกว่าฌานแล้วจะมากลัวกๆเดี๋ยวจะไปนึงจะไปพ้องจะไปเพ่งกันเพราะคนไทยชอบเวลาไปเรียนสมาธิเขาชอบเข้าใจว่าต้องไปเพ่งเพ่ง มเช่นกระสินก็ต้องเพ่งกระสินใช้ศัพท์ว่าเพ่งแต่เพ่งในที่นี้เขาไม่ได้หมายถึงจ้องมองนั่นเองเขาหมายถึงว่าใจที่เสพคุ้นกับกรรมฐานเหล่านั้นแล้วบากปกรรมทั้งหลายจึงหยุดไปส่วนคำว่าญาณนะมันจากยอหญิงสราโนเนนะีนญาณะมันจะจะคลายคำมันมาจากยาธาตุเหมือนคำว่าปัญญาปัญญามาจากปบทหน้ายาธาตุนะเลยซ้อนยอหญิงไปข้างหน้าก็เลย ปัญญาปัญญาก็เลยเป็นปัญญาปัญญาแปลว่าอะไรโยมก็แปลว่าปัญญานะะั่นแหละแปลว่ารู้ทั่วถึงรู้โดยประการทั้งปวงเชื่อว่าปัญญาปัญญาแต่ส่วนคําว่าญาณนะก็เป็นมาจากยาตาิที่แปลว่ารู้นั่นแหละแปลว่าแปลว่าการรู้หรือสภาพที่รู้นะยา น, นี้จริงๆกับคําว่าปัญญาเป็นชื่อเดียวกันเลยวิปัสสนาญาณวิปัสสนาปัญญาเป็นชื่อเดียวกันญาณกับปัญญาเป็นชื่อเดียวกัน แต่คนทั้งหลายถ้าได้คําว่ายินคำว่าญาอ้รู้สึกมันอู้หัวอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแต่จริงยานกับปัญญาเป็นเรื่องเดียวกันนะโยมนะแต่รู้สึกปัญญาเป็นรู้สึกเป็นชื่อพื้นๆเพราะคนไทยคุ้นกับปัญญามากกว่าคําว่ายานแต่คําว่ายานกับปัญญาเป็นคําเดียวกันส่วนฌานเป็นคําชื่อของสมาธิสิกขาส่วนยานเป็นชื่อของปัญญาสิกขาเป็นเขาเรียวกว่าอะไรนะโยมชื่อคําพ้อง คำพ้องเนื้อหาจะไม่พ้องรูปพ้องเสียงกาเรียกซีนโนนิมเนาะใช่ไหม <c oughs> อ้าวขอ้อถัดไปครับจะทำอย่างไรดีกับหนังสือธรรมะของอดีตพระที่อาบัติปราชิกไปแล้วจะทิ้งก็ไม่กล้ากลัวเป็นการปามา마พระธรรมจะเก็บไว้ก็รู้สึกไม่ดีขอคำแนะนำด้วยเจ้าค่ะก็ถ้าใครยงังศรัทธาหลวงพ่อองค์นั้นอยู่แล้วก็เล่งสือเล่มนั้นไปให้ท่าน ให้โยมคนนั้นเหล่านั้นนะแต่อีกวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งที่ธรมาเห็นเขาทากันนะโยมนะคือเขาไปเผาถ้าสมมติสมมติแต่แต่ตรงนี้ต้องดูให้ดีนะว่าจริงๆที่บอกว่าท่านปราชิกเนี่ยมันเป็นข่าวลือหรือเปล่าเพราะบางทีมาัอาจจะได้อันที่ส่ของการไปเบียดเบียนคนไม่ควรเบียดเบียนเป็นต้นก็คือโดนกล่าวตู่หรือเปล่าโดนใส่ร้ายหรือเปล่ามันก็ไม่แน่เหมือนกันนะโยมนะข่าว ข่าวที่พูดกันกับความจริงไม่รู้เรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนาะตมายังเคยโดนลือโยมโดนลือว่าเล่นของโมพระองเนี้ยเล่นของแน่ๆเลยนะเพราะทาไมเวลาไปอยู่ที่ไหนก็มีมีคนมามีญาติโยมมารู้จักเยอะเหลือเกินต้องเล่นของแน่ๆเลยเนี่ยตมาก็เลยตอบเข้าไปว่าใช่อตมาเล่นของ อยากรู้ไหมจะสอนให้ของนั้นอะไ ร, อ ย, รยอยากรู้ไหมโยมอยากรู้ไหมตมาสอนโยมไปแล้วเมตตาอันนสงสีสิบอย่างหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขแม่หลับฝันไม่ฝันลายมนุษย์รักใครอนมนุษย์รักใครเทวดาตามปกปักรักษาไปอยู่ตรงไหนก็มีแต่คนรักปรารถนาดีกับเราไม่ใช่เปมนุษย์นะอนมนุษย์ก็เป็นเพราะฉะนั้นตมาเล่นของจริงๆของแรงด้วยของแขังด้วยของสูงด้วยของเพราะ ของที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเขาสอนเลยโยมคือเมตตาจิตนั่นเองนะไปอยู่ตรงไหนมีแต่คนรักใครโยม ด, ดีไหมดีนั่นเองเนาะนั้นเพราะฉะนั้นก็ไปดูว่าไอ้ที่เมื่อกี้เราบอกว่าพระพิสุเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นจริงไม่จริงเออเราก็พยายามวางใจอย่าไปโกรธเกลียดเขาก่อนมีเมตตาเขาท่านเนาะบางทีมันอาจจะไม่จริงก็ได้ถ้าจริงก็เป็นไงก็อย่าไปเกลียดท่านเนาะตอบอย่างนี้ได้ไหมโยมที่คารวะมีมีเพศสัมพันธ์ไม่เห็นเกลียดกันเลย ทีนักบวชมีบ้างจะไปโกรธเขาทำไมแต่ไม่ใช่บอกว่ามันถูกนะไม่ได้บอกว่ามันถูกก็ทีเรายังไม่โกรธคารวะด้วยกันเลยจะไปโกรธเกลียดท่านทําไมเรานะก็กิเลสมันเกิดอะถ้าท่านทาผิดจริงก็เพราะกิเลสมันเกิดเนาะเราก็สงสารท่านสี่ว่าเพราะท่านทําผิดอย่างนี้ท่านเลยเกิดโทษอย่างนี้คนนั่งหลายก็จะรังเกียจท่านเป็นต้นนะท่านน่าสงสารไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งความน่ารังเกียจน่าเห็นใจท่าน นะถ้าท่าน巴拉าาชิกไปพูดว่าท่านต้องศึกดูสิพร ม, มัญชย์ที่ท่านบวชแล้วก็ศึกษากันมาต้องนานท่านอุาศาส์มีหนังสือเป็นของตัวเองด้วยมีการเผยแพร่ด้วยมีคนศรัทธาด้วยสุดท้ายกิเลสยังเอาท่านไปกินอยู่เห็นไหมโยมวัดตะมันน่ากลัวอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทนะขนาดพระภิกษุบวชมานานๆยังถูกกิเลสลุมเล้าคือแก้งลังแกวขนาดนี้เลย แล้วเราจมอยู่กิเลสอย่างนี้จะไปเหลือหรืออย่างนี้นะกลับการให้เห็นเป็นโทษนะถ้าท่านทั้งหลายเพียรกันแล้วขนาดนี้ยังลําบากขนาดนี้แล้วเราปล่อยไปตามบุญตามกรรมเดี๋ยวเราจะไม่แย่หรือในวะตะในนาคัญยาวนานนั่นเองเนาะอย่าไปมองและเห็นเป็นเพ่งโทษรังเกียจกันนี้ไหมโยมเนาะส่วนหนังสือที่ถามนะถ้าเป็นเนื้อหาภาษาธรรมดีเราก็ยังมาใช้อยู่ได้แต่ถ้าเป็นนักภาษาธรรมที่ไม่ดีแล้วก็ไปเผาซะ เพราะเนื้อหาพระธรรมมันไม่ได้ผิดอะไรด้วยจริงไหมโยมนั่นเองเนาะจ้ะผมขอถามนิดหนึ่งคือนี่หนังสือนะครับแต่ว่าที่สิ่งหนึ่งที่ไม่รู้จะทิ้งยังไงก็คือพระพุทธรูปบางทีมันทั้งเล็กทั้งใหญ่พอคนเขาไม่รู้จะไปไว้ไหนก็มาที่วัดแล้วก็โยนที่ศาลมาภูมิมันเต็มวัดไปหมดแล้วทํำยังไงดี อ, อ๋อบางทีเขาจะมีการสร้างเจดีย์โยมแล้วเขาจะบรรจุบรรจุ บรรจุสิ่งเหล่านี้แหละก็คือพุทธรูปเราก็พุทธรูปเนี่ยไปร่วมบรรจุเขาก็ได้นะับไปร่วมบรรจุเขาก็ได้เนาะแล้วก็เราก็อย่าพยายามไปหาพุทธรูปแบบเล็กๆจิ๋วๆทั้งหลายมาเพิ่มนะโดยการเป็นการสะเดาะเคาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะเพราะมันจะทําให้เล็กๆจิ๋วๆแวมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมโยมแล้วก็มาถวายพระพระก็ไปทําอะไรไม่ได้เอาไปบูช า, าไปให้คนอื่นแล้วไปเพื่อไประลึกถึงก็ไม่ได้ ใช่ไหมโยมนะเพราะเดี๋ยวนี้ทําเป็นพลาสติกเลยใช่ไหมน้าโยมเนาะเราก็จะไปเพิ่มภาระให้แก่กันแล้วกันนะเราให้เชื่อกรรมกับผลของกรรมทําดีได้ดีแต่อย่าไปแก้สะเดาะเคาะมากนั่นเองเลยเพิ่มตรงนี้ให้หน่อยเนาะแต่ถ้ามันมีแล้วทําไงมันมีอยู่ที่วัดใช่ไหมเนี่ยพระก็ต้องรับผิดชอบจเจ้าอาวาสเขาจะรับผิดชอบกวนเองโยมแต่มาไม่ใช่รับผิดชอบเพราะว่าต่มาไม่ใช่จเจ้าอาวาสรอดไปเคยไปแล้วสลัดหนีมาพ้นแล้ว ก็อันนี้ขอเป็นคำถามเบาๆสุดท้ายสองอันการจัดตั้งหิ้งบูชาพระทิศ ท, ที่ดีและถูกต้องที่สุดควรหันหน้าองค์พุทธรูปไปในทิศใดและการจัดตั้งองค์เช่นเสด็จพ่อร้อห้าควรตั้งต่ำกว่าฐานพุทธรูปใช่หรือเปล่าอ่ะก็ตอบเป็นสองหลักการและการนโยมหลักการแรกจะตั้งหันหน้าไปทางทิศไหนดีตอบตอบแบบทิศนั่งหันหน้าไปทิศตะวันออกดี พระพุทธเจ้าผินหน้าไปทางทิศตะวันออกตอนบรรลุสัมมาสัมพุธิยานนะส่วนรูปเหมือนเทวดาทั้งหลายนะก็ตั้งต่ำหลวงพิธุรูปเออทำอย่างนั้นเอานะถ้าจะต้องทำนะแต่แต่ถ้าตอบแบบหลักหลักศาสนาพุทธตรงๆเลยนะหันทิศไหนก็ได้ที่เรากราบสะดวกระ ล, ลึกลึ ก, ล, กลึกคุณของท่านได้สะดวกนึกถึงพุทธเจ้าตั้งแล้วเราตั้งมุมไหนก็ได้แล้วตั้งแล้วเราเห็นแล้ว เรารู้สึกว่าเรามีศรัทธาตั้งตรงนั้นแหละโยงนะตั้งตรงไหนแล้วจิตกุศลจิตของเราที่เคารพในพุทธคุณเกิดขึ้นตั้งมุมนั้นเลยหันหน้าทางนั้นเลยนะบางทีมันตั้งทิศตะวันออกหันหน้าไปทิศตะวันออกแล้วมันตั้งไม่ได้อะเพราะว่าเรานอนแล้วหันเท้าไปทางนั้นห้องเราก็เป็นห้องสมมุติเป็นห้องห้องหนึ่งห้องนะห้องในคอนโดหรือว่าในห้องเช่าหนึ่งห้องเช่าสมมุตินะก็ต้องตั้งพุทธรูปด้วยแล้วก็นอนด้วย ใช่ไหมก็เลยไปตั้งพุทธรูปที่ปลายเท้าเนี่ยเพราะต้องต้องการหันหน้าไปทิศตะวันออกเอออย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างนั้นก็ทิศก็ไม่เป็นประมาณโยมทิศก็ไม่เป็นประมาณนะส่วนเทวดาก็คงเป็นนัยยะเดียวกัน น, นะโยมเนาะก็เป็นนัยยะเดียวกันก็สมควรแก่คำถามนี้แล้วมั้งเนาะโยมเนาะะคำถามถัดไปหมดมนะันเหลือห้านาทีก็ อันนี้คำถามนี้รู้สึกว่าดีก็เอาสักคำถามหนึ่งแล้วกันการจเจริญอาณาปณสติให้เกิดง่ายและก้าวหน้ารวดเร็วมีปัจจัยที่สําคัญอะไรบ้างอาทิสภาพร่างกายที่แข็งแรงและอะไรอีกหรือเปล่าอ๋อการเจริญอาณาปัสติให้ก้าวหน้ามีองค์ประกอบอะไรที่สาคัญสําคัญใช่ไหมรวดเร็วด้วยง่ายก้าวหน้ารวดเร็ว3อย่างเลยครับ ง่ายก้าวหน้ารวดเร็วใช่เลยมีอาัพบาลีหน่อยนิ ย, ยมนะกัตตุกรรมยาตาฉันทะซ้าอนะีกคานะกัตตุกรรมยาตาฉันทะกัตตุแปลว่ากระทำกัตตุกรรมยะมยายะแปลว่าสําเร็จฉันทะแปลว่าพอใจแปลรวมกันแปลว่าความพอใจที่ได้จ ะ, จะเจริญกรรมาฐานนั้น ถ้ามีความพอใจชอบใจที่ได้ทำไม่ใช่หวังผลนะแต่ได้ทำกรรมาฐานนั้นพอใจที่ได้ทำกรรมาฐานนั้นมันจะง่ายสะดวกเร็วทันทีอันนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่สุดเลยจะปวดหลังก็ไม่เป็นไรจะเดี้ยงขนาดไหนก็ไม่เป็นไรขอให้มีชันทะ คือความชอบใจที่จะกระทาเหมือนนารโยมเหมือนเปรียบเทียบให้เห็นหน่อยแล้วกันโยมเหมือนนักฟุตบอลแล้วกันถ้าไม่ชอบเตะบอลจะเป็นนักฟุตบอลได้ไหมไม่ได้ถ้าอยากจะมีค่าตัวแพงๆแบบนักฟุตบอลอย่างเดียวแต่ไม่ชอบเตะบอลไอ้เจ้านั่นจะเป็นนักฟุตบอลไม่ได้เลยถ้าอยากเป็นนักบัญชีอยากเป็นออเดเตอร์แล้วกันเนาะได้เงินได้เงินดีเขาว่าได้เงอเป็นออเิตเป็นผู้สอบบัญชีไม่ได้เงินดีนะ แต่ไม่ชอบทำบัญชีจบกันโยมเป็นไม่ได้ถ้าอยากเป็นหมอเพราะเขาบอกว่าเงินบันดีอ่ะโอ้เป็นหมอแล้วรวยแต่ไม่ชอบเรียนเคมีฟิสิกส์ชีวะไม่ชอบตรวจคนไข้ไม่ชอบเห็นเลือดไม่ชอบโรงพยาบาลไม่อยากอินทานเข้าคณะแพทยศาสตร์ไม่ต้องคุยกันแล้วโยมเลิกถ้าอยากเป็นวิศวะเขาบอกว่าเป็นวิศวะออกแบบก่อสร้างนะนะโอ้ รับเหมาตารางเมตรละสามหมื่นห้เลยนะเดี๋ยวยุคหน้าเนี่ยพอเปิดอาเซียนแล้วนะสงสัยจะก่อสร้างจะฮึ่มฮึ่มกันใหม่ว่ากั้นเถอะก็เลยอยากลาอยากรวยอยากได้ผลของการประกอบอาชีพคือรวยแต่ไม่อยากไม่อยากออกแดดอ่ะไม่อยากไปก่อสร้างอ่ะไม่อยากคํานวณอ่ะไม่ชอบคณิตศาสตร์ไม่ชอบฟิสิกส์ไม่อยากเรียนการก่อสร้างไม่ชอบแบกปูนไม่หยอดกระขิดไม่อยากใส่ใจกัน สองกล้องเซอร์วีอะไรสักอย่างเลยก็เป็นไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นโยมแต่กลับกันทั้งหมดถ้าใครก็ตามชอบวิชาชีพอะไรเขาก็จะได้กลายเป็นนักวิชาชีพนั้นๆส่วนผลของการประกอบวิชาชีพที่ได้เงินทองกลับมาเขาจริงๆไม่ใช่ผลโดยตรงเขาเรียกผลพลอยได้ผลโดยตรงของการประกอบอาชีพนั้นๆเช่นเป็นหมอผลผลโดยตรงคือรักษาคนป่วยเป็นครูผลโดยตรงคือ สอนหนังสือสมมติผลโดยตรงของอาตมาที่มาแสดงธรรมคือโยมฟังธรรมเห็นไหมนี่คือผลโดยตรงเช่นเดียวกันถ้าโยมอยากเจริญกรรมฐานได้รวดเร็วสะดวกง่ายอะไรดีง่ายทุกอย่างโยมจงชอบใจในการอยู่กับลมหายใจชอบใจฉันชอบอะอย่างเงี้ยชอบกับนั่งลมหายใจออกนั่งหายใจเข้า นั่งหายใจออกนั่งหายใจเข้าอยู่แค่นี้ชีวิตนี้ชอบอย่างเงี้ยฉันเป็นนักนักหายใจออกนักหายใจเข้าเออเหมือนกับเป็นวิชาชีพของโยมเลยวิชาชีพของโยมคือหายใจออกหายใจเข้ามาเรียนแล้วครั้งคราวนี้รู้แล้วก็วันวันไม่ทำอะไรขยันได้หายใจออกขยันได้หายใจเข้าแค่นี้โยมไม่ขยันคิดอย่างอื่นใครจะใครจะบอกว่าอะไรเป็นหมอสิดีไม่หายใจออกหายใจเข้าดี ทำอาชีพอะไรดีหายใจออกหายใจเข้าดีนะอะไรสนุกที่สุดหายใจออกหายใจเข้าสนุกที่สุดอยากทำอะไรที่สุดว่างอยากทำอะไรอยากหายใจออกอยากหายใจเข้านะวันวันไม่ทำอะไรเหมือนคนเหมือนเด็กเด็กน้อยโยมเหมือนเด็กน้อยยุคนี้ที่เขาติดเกมกันนะโยมนะโดดเรียนไม่ทำไรเล่นเกมเวลากินข้าวทำไรเล่นเกมทำอะไรเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมพ่อแม่บ่นว่าลูกอะไรกันนักหนาจะเล่นแต่เกมก็แม่จะคิดมากเลย เล่นเกมมันสนุกนี่แค่นี้โยมและเด็กคนนั้นก็จะเล่นแต่เกมได้แล้วก็จะแล้วก็จะประสบความผลของของการเล่นเกมได้แน่นอนชั้นใดโยมอยากเจริญอาณาบัสติได้ผลของการอาณาบรสติคือโยมก็พอใจแค่หายใจออกหายใจเข้าไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วไม่ต้องสงสัยเพียงแต่แค่นี้เองหรอหายใจออกหายใจเข้าโอเคโอเคโอเคหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า แค่นี้แหละโยมเสร็จแล้วโยมจริงๆโยมชอบแค่นี้แหละนี่แหละเงื่อนไขสําคัญที่สุดเขาเรียกว่ากัตตุกรรมยตาฉันทะไม่ได้ชอบผลของของมันนะจะชอบอยู่กับมันนะ่ะเข้าใจไหมโยมจะป่วยแค่ไหนก็ไม่มีผลอีกแล้วคราวนี้ปวดหลังไม่มีผลปวดขาไม่มีผลเออจะมาไปเจอมาจริงๆนะโยมขอเล่าประสบการณ์หน่อยไปเจอนักบวชคนหนึ่งเพิ่งมาบวชใหม่โยม แกหนักประมาณร้อยโลหนักประมาณร้อยโลอ้วนมากเลยอ้วนมโยมร้อยโลเนี่ยลองนึกนะอ้วนร้อยโลจะนั่งกรรมาฐานยังไงแต่เขาชอบจะทําแต่เขาชอบอะ่ะเขาจะเอาให้ได้อะ่ะเขาเขาบอกเขานั่งไม่ได้เขาก็ลุกไปเดินเดินเดินพอเดินละหายเมื่อย ก, ก็กลับมานั่งใหม่พอไม่ไหวปวดปวดปว ด, ป ด, ปดลุกไปเดินใหม่เดินเดินหายกลับมาใหม่เขาบอกว่าปีแรกเดินยงป่าราบเลยโยม ตรงไหนบ้างที่แถวนั้นที่เป็นป่าแล้วแกไม่ได้ไปเดินเดินเดินเดินเดินเดินจะเดินเสร็จเป็นยังไงพอหายก็มานั่งใหม่หายมานั่งใหม่สุดท้ายนั่งห้าชั่วโมงก็ได้ไอกรรมาฐานที่ว่านิมิตเกิดเป็นยังไงถามเขาก็รู้หมดเลยมันเกิดกับเขาเลยไม่ต้องอ่านหนังสือเพราะฉันเรียนมาแบบเรียนแบบโยมอะโยมท่านองค์นั้นเรียนมาแบบโยมไม่เรียนมาจากอ่านหนังสือแล้วทําไม่เรียนแบบแบบอ่านจนจบแล้วค่อยทําแต่เรียนแบบบอกไปแล้วไปทําบอกไปแล้วก็าไปทําจนทํา เข้าเป็นพระนัยโยมนะไม่บอกหรอกว่าใครอยู่ไหนได้สมาบัติเลยอยู่ได้สมาบัติตรจริงๆเลยเพราะเขามีอยู่อย่างเดียวคือเขาจะรู้ลมหายใจเขาบอกว่าไม่รู้่啊เขาบอกว่ารู้ลมหายใจก็ใช้ได้แล้วผมก็รู้แค่นี้แหละผมก็รู้แต่หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าบรรู้แล้วเป็นไงบรรู้แล้วก็บรรู้ ก็เขาบอกบารู้แล้วก็ไม่ทําอย่างอื่นก็หายใจออกหายใจเข้าอ้าวงั้นผมไม่ถามอะไรแล้วท่างั้นนะก็เลยวันๆไม่สนสนใจวิปสัปสนาวิปัสสนาญาณไม่ต้องมาคุยกับผมผมจะหายใจออกอหายใจเข้าเท่านั้นนะเขาบอกเอ้ยพอแล้วเองเองพ้นตรงนี้ไปแล้วถึงเวลาพิจารณารูปนามแล้วพอทําได้นิดนึงก็ไม่เอาแล้วจะจะหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวเพราะแกบอกว่าก็มันทําแค่นี้จริงๆเมื่อทําทแค่นี้แล้ว อะไรทั้งหลายที่เป็นเบื้องปลายมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหมดเลยเออเวลามันมันจะเสื่อมก็หายจะออกหายใจเข้าใหม่ที่อยากทุกอย่างที่เหลือทั้งหมดง่ายหมดแล้วเห็นไหมโยมงั้นถ้าพูดถึงอนามัสติคือพอใจ ก, กับการหายจะออกหายใจเข้าเมื่อกําลังของญานะปัญญามันแก่กล้าเมื่อไหร่ที่เหลือง่ายหมดแล้วจริงๆตัวอย่างเยอะแยะเตจมไปหมดในนักบวช นะแต่นักบวชมันเป็นยกไม่นตัวอย่างไม่ได้ว่าคนนี้ไงไม่ได้เดี๋ยวปราชิกกินนั่นเองนะ <c oughs> ก็จริงๆจะคำถามสุดท้ายแต่พอดีอันนี้มันวันที่สี่แล้วแต่คำถามนี้มันยังมีอยู่กลัวจะนอนไม่หลับนะ <c oughs> อาจารย์รบกวนตอบหนึ่งสั้นๆสรุปอนาปนาสติจัดเป็นสมถะหรือวิปัสนาครับสรุปอนาปนาสติเป็นสมถะหรือวิปัสนาในเบื้องต้นที่โชนยมทาเป็นสมถะ นะแต่หลังจากทําไปแล้วเป็นวิปัสนาด้วยเพราะเป็นเป็นมิสกามักเป็นมักเบื้องต้องและมักเบื้องปลายทั้งคู่เลยนะเป็นได้ทั้งคู่เพราะว่าขณะที่เจริญอานาปสตินั้นก็ทําให้บรรลุมักขกรรมได้ยกตัวอย่างใครที่เด่นชัดที่สุดพานุตตะรสมาสุนเจ้าตอนขณะที่ป่าพยามารเสร็จปุ๊บแล้วก็ จเจเลนนาณาปสาติเมื่อหลังจเจริญปราณาปสาติแล้วส่วนที่ตามมาทั้งหมดจึงเกิดขึ้นก็คือการบรบรลุมรักผลก็เกิดขึ้นก็ใส่อาณ า, าปนาปสตินั่นแหละนาโยมนะเช่นในบัพพะหลังๆเอ้ยโทษทีในในจิตกระหลังๆ ห, หายใจออกรู้ความไม่เที่ยงหายใจออกรู้ความไม่เที่ยงหายใจเข้าก็อาศัยลมหายใจนี่เลยโยมพิจารณาไตรักเลยพิจารณาไตรักในลมหายใจเลย ก็อาศัยลมหายใจทั้งหมดนั่นแหละลมหายใจก็คือโลกนั่นเองโลกะโลกะคือจักรวาลคือโลกคือทั้งหมดของชีวิตนั่นแหละก็คือลมหายใจก็เอาลมหายใจในหลับมาพิจารณาเมื่อลมหายใจเอาทั้งลมหายใจมาพิจารณาแล้วก็เห็นอนิจจังทุก ข, งขาาังอนัตตาก็นู่นแาละนามลูปปัจเจศยานปัจจยักษบริขายานสัมมาสนญาณอุทธธัพยาญานอะไรก็ไล่ไปจนถึงนิพพิทายานจนไล่ไปถึงสังขารุเบขาญาณอะไรโยม ขามสังขารู่ปเปล ข, ขาใาญ่กับโคจระพูมักขยานผลญาณปั จ, จเวคนาญาณก็บมก็ตามอยู่แถวนี้เลยโยมตรงที่รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าเนี่ยเลยโยมเดี๋ยวมันก็จะมาเป็นคันลองของมันเองนะเห็นไหมว่าก็เลยตอบไปนะโยมนะอนาปัตติเป็นอะไรเป็นทั้งคู่ได้ทั้งคู่เลยแต่เบื้องต้นเป็นสมถะก่อนในบพพะแรกในกายานุปัสสนาเป็นเป็นสมถะ นั่นในจิตตาในจิตตาในทำโอ้โหทีเวทนาจิตตาและธรรมมาทำหลังจากที่ได้สมาบัติแล้วนะแต่บางคนในในระบางคนในหลายๆคนไม่ได้เจริญเวทนาจิตตาและธรรมมาในอนาปัตสติเลยเจริญเท迦ญ า, านุปัสนาก็คื อ, คอหมวดของหมวดที่โยมกําลังทําอยู่เนี่ยพอเสร็จปุ๊บแล้วบรรลุเลยเสร็จปุ๊บแล้วบรรลุเลย เยอะแยะเต็มไปหมดมีอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยบอกตอบโยมเป็น2อย่างเนาะสองอย่า ง, อ ง, อางแต่นาบัตซันนิเนี่ยจุดเริ่มต้นเพราะเขาต้องการให้สติสัมปัญญะมีกําลังกล้าแข็งก่อนเมื่อจิตสัมปัญญะมีกําลังกล้าแข็งอะไรอะไรที่เหลือมันถึงจะง่ายแล้วไอ้ที่สติสัมปัญญจะกล้าแข็งได้ก็เพียงแต่มีความพอใจรู้ลมก็ตอบต่อเนื่องจากคําถามเก่าคำถานใหม่ก็จะมีผลกันกันเองนะโยมเนาะ อ้าวสมควรกับเวลาบ้งเนี่ย